วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาของพระทั่วทั่วไปทั่วพระราชระยะจับแลที่อื่นๆก็เข้าวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นฤดูฝนแรมคาหนึ่งดันแปดเข้าฤดูฝนวันนี้ที่ผ่านมาเป็นฤดูร้อนนี่เป็นการเวลาที่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 ที่ได้แนะนำอยู่เสมอย้ำเสมอสำหรับในวัดนี้ความเพียรเป็นหลักหนักแน่นยิ่งกว่ากิจการงานอื่นใดเราไม่เคยส่งเสริมงานใดให้ยิ่งไ ป, ไปกว่างานจิตะภาวนาเพราะเราเคยได้เห็นผลอย่างนั้นในตัวของเราเอง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 เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ให้หมดให้เหลือแต่ความตั้งหน้าตั้งตาทำรักิเรศภายในจิตใจตลอดไปจนกว่าจะสิ้นซากจากหัวใจกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาร้วยด้วนนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีข้อผิดผีกแวะอะไรเลยเพราะได้ฟังอัดฟังธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจงังถึงใจแล้วเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน ก่อนเรียนไปเท่าไรความสงสัยคืบคลานไปตามบาปบุญนรกสวรรค์สงสัยไปทั้งนั้น ท, ท, ทั้งทั้งที่พุทธเจ้าสอนไว้เต็มหมดเต็มบาทเหมือนทำทั้งหลายไม่ยิ่งย่อนกว่ากันเลยเรื่องบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรมโลกมีนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆนับจํานวนไม่ถ้วนในใจโลกธาตุนี่มีอย่างนี้ก็ตาม ความจำมันก็จำาของมันไปได้อย่างที่เรียนมานั่นแหละแต่ความสงสัยมันก็คืบคลานไปตามทุกแน่ทุกมุมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องเป็นบาปบุญนรกสวรรค์ไปต้นว่ามีมันก็ทำให้เกิดความสงสัยอยู่นั้นจนได้ไม่มีใครมาบอกมันนับเป็นในนิสัยสันดานของเราเองจึงได้แบบ ความสงสัยนี่เข้าไปหาหลวงปู่มั่นเราได้รับคําชี้แจงอย่างจะแจ้งหายสงสัยตั้งแต่วันแรกนั่นเลยทีเดียวถึงที่เลยว่าหมดแล้วเรื่องความสงสัยแล้วผลนิพพานแม้กิเลส จ, จะมีอยู่ก็าตามหาความหายสงสัยนี่หายโดยสิ้นเชิงว่างั้นเถอะเรื่องความเชื่อในมรรคผลนิพพานน้่ก็เชื่ออย่างเต็มหัวใจ นี่ละที่มันเป็นกำลังใจให้เกิดความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานตลอดไปเลยกำลังใจจริงไม่มีคำว่าอ่อนแอทอแท้เพราะความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกมีมรรคผลนิพพานเป็นที่รับรองเอาไว้จากการปฏิบัติของเราความมุ่งมั่นจึงมีกำลังกล้าจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหน มันก็ไม่เคยถอยเรื่องความมุ่งมั่นต่อแดนมรรคผลนิพพานจึงได้เล่งความาพาดความเพี้ยนตลอดมาผลก็ปรากฏเป็นที่พอใจเป็นลําดับตรรมดาส่วนไหนที่มันผิดพลาดไปเพราะเราทางไม่เคยเดินมันก็ผิดพลาดไปก็จะมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเช่นกิตเสื่อมน้เสื่อมเอามากถึงขนาดที่ว่า เคล็ดลาบเลยทีเดียวเสื่อมขนาดนั้นลนะทุกข์มากขนาดนั้นนะ่ะคนเราธรมรมดาจิตไม่มีความเจริญขึ้นให้เป็นที่ปีติยินดีเอื้อปีมภายในใจอยู่ธรรมดาเราเราท่านท่านนี้ความทุกข์ก็มีธรม ร, ธรมดาธรรมดาไม่ได้หลุนแรงเหมือนผู้มีจิตกลมเกลืนกับธรรมเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงเป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองมีความเป็นสุข สงโร่มเย็นนี่เลยผู้นี้เวลาจิตเสื่อมแล้วจึงมีทุกข์มากที่สุดนะั่นแต่ก่อนเราก็ไม่มีพอจิตเสือเ่อมแล้วหมแห้ความทุกข์โผมตัวมาสุงอยู่ภายในหัว อ, อกตลอดเวลาพิปแปลงเสี่ยแปลงท่าไหนท่าไหนใช้จิตฟื้นขึ้นมามันก็ไม่ฟื้นไม่ฟื้นอยู่ที่ไหนเป็นตกนรกทั้งเป็นทั้งเป็นตลอดเวลาเพราะจิตเสื่อม เป็นถูกมากยิ่งกว่าจิตที่ไม่เคยอบรมธรรมะได้ผลเป็นที่พอใจในขั้นเช่นนั้นมาเลยนะนี่ผมเป็นแล้วจึงได้สอนหมู่เพื่อนให้เข็ดให้ลาให้ระมัดระวังเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นให้รักษาระดับแห่งความสงบร่มเย็นไว้ด้วยความมีสติความภาคยันหยาห่างไกลกันจิตจะได้รับการประครับประคองจากสติ ความปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรของเราตลอดไปแล้วกิจก็จะค่อยก้าวหน้าขึ้นไปโดยลําดับลําดาถ้าไม่มีหลักเลยนั้นพระเราอยากเข้าใจว่ามีคุณค่านะไม่ได้มีคุณค่าอะไรยิ่งกิจเสื่อมอย่างผมที่ว่าที่เสื่อมมานี้แล้วไม่ไม่มีอะไรเทียบเท่าได้เลยความหมดค่าหมดราคาเหลือแต่ลมหายใจ มองดูหัวใจเมื่อไหร่เป็นไปตลอดเวลาเพราะความเสียดายความสมาธิที่เคยเจริญแล้วถึงขนาดที่ว่าแน่นเป็นหินไปเลยนะจิตเรานั่นแหละที่ทำให้เราตายใจนะจิตสงบเข้าไปสงบเข้าไปถึงขนาดแน่นเป็นเหมือนหินเลยอยู่ที่ไหนสบายหมดเลยลื่นลื่นวันเถงอยู่กับความสงบที่แน่นหนาะมันคงนั้น แล้วก็เราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นถ้าวัฏทางก็ไม่เคยเดินยังไม่รู้จักวิธีรักษาเข้มงวดกวดขันแล้วก็งานที่จะทำให้ติดเสื่อมก็คือมาทำกรดหลังหนึ่งเท่านั้นเองการภาวนาไม่ค่อยติดค่อยต่อทีแรกมันก็แน่นปึงแน่นปึงของมันขั้นนานไปหลายวันไปรู้สึกมีลักษณะเปลี่ยนแปลง เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ่าแปลกแล้วอ่ะนี่ ก, กิดเราจะเสื่อมนั้นนี่นาวะแล้วขยับไปใหญ่รีบร้อยตดให้เสร็จเรียบร้อยดีไม่ดีชังหัวมันออกปฏิบัติเลยตั้งแต่นั้นเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนั่นแหละที่มีแต่ไฟล้วนๆสมหัวใจเสียดายก็เสียดายทำความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วย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 สิบสี่สิบห้าวันได้ถึงที่นั้นแล้วลงอีกอยู่ได้เพียงสามวันเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาปีกว่ามันเริ่มเสื่อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาส่วนพศออเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้จำได้แต่ว่าเดือนพฤศจิกาจิตเริ่มเสื่อมแล้วไปฟื้นขึ้นได้เดือนเมษาปีหน้านุนพฤศจิกาแล้วก็ธันวามกรากรุณ า, าเมษา เสื่อมถึงปีหนึ่งกับห้าเดือนนี่แหละเลยรับความทุกข์ความท ร, รมานเอาอย่างมากอจึงได้ตั้งวิธีใหม่เนี่ยก็ได้นํามาสอนหมู่เพื่อนวิธีใหม่นี่คือยังไงแต่ ก, ก่อนเราไม่ได้กําหนดเป็นธรรมมุตกรรมกําหนดความรู้เฉยๆพยายามไม่เผลออยู่ให้อยู่กับความรู้ความรู้อยู่กับตัวมั่นเสื่อมไปได้จิตทะเลอะไรไปคิดอย่างอื่นอย่างใดไ ด, ได้เราก็ไม่รู้ จนกระทั่งมันหมดทางไปจริงๆแล้วจึงอะไรย้อนมาคิดคำหนึ่งคำนวณว่าหรือจะเป็นเพราะเราไม่นำคำบุิกรรมเข้าม า, ามกำกับใจให้มีที่ยึดที่เกาะไว้ด้วยสติมันถึงได้เสื่อมไปอย่างนั้นคราวนี้เราจะตั้งใหม่เอาคราวนี้เอาคำบุิกรรมเป็นหลักไม่ได้กาหนดเอาเฉพาะความรู้เหมือนแต่ก่อนซึ่งขึ้นแล้วก็จะ จเจริญขึ้นแล้วเส่ิมโยงเสริมยงถึงได้ตั้งเหมือนว่าตั้งต้นใหม่เอาฉันตัง้งแต่วัดนี้ต่อไปเราจะภาวนาด้วยบทธรรมริกรรมคือพุทธโธผมชอบพุทธโธนิสัยผมกลมกลืนกับพุทธโธมาดั้งเดิมก็ตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ให้ใหม่ทีนี้จะบริกรรมด้วยพุทธโธ แต่สําหรับนิสัยผมนี่รู้สึกว่าเป็นคนจริงจังมากตลอดมาพอว่าตั้งกับคําว่าพุโทโธก็เหมือนทำสัญญาบาลสัญญากันเลยจะเคลื่อนเป็นอื่นไปไม่ได้วกับคําว่าพุโทโธจะต้องตั้งกันตลอดเวลาไม่ว่าียาบุตรใดจะไม่หย่อนไม่เผลอจากคําว่าพุโทโธนี่เลยตั้งตลอดตั้งกระตื่นนอนตั้งไม่ให้เผลอ ควบคุมกันตลอดเวลาทุกข์ก็ให้อยู่กับพุทโธสุขก็อยู่กับพุทโธเอามันจะเสื่อมไปถึงไหนก็ให้มันเสื่อมมันจะเจริญก็ตามเพราะความเสื่อมความเจริญนี่เรามันเคยมาพอแล้วจนอิจฉาละใจต่อความเสื่อมความเจริญคราวนี้มันจะเสื่อมให้เสื่อมไปเจริญก็เจริญไปจะไม่ถือว่าเปรลมยิ่งไปกว่าการบริกรรมด้วยความมีสติไม่ปล่อยวางนี่เท่านั้น อจจึงได้ปากรงตรงนั้นแล้วปัดจริงๆนะเอาอยู่กำลังเลยจะเจริญก็ตามเสื่อมก็ตามไม่ออกมาเป็นอารมณ์เพราะเราเคยเป็นอารมณ์แล้วก็สร้างความทุกข์ร้อนให้ออกมามากขนาดไห น, นต่อยเลยเมื่อภาวนาไปขาภาวนาเข้าไปพุทโธเข้าไปพุทโธเขาไปบังคับจิตตลอดเวลาสุดท้ายจิตที่เคยเสื่อมเคยเจริญมันก็ไม่เสื่อมพ่อเจริญขึ้นเจริญขึ้น ค่อยสงบเย็นใจเข้าไปเข้าไปปักเข้าไปเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งจิตสงบถึงบางครั้งนี่ครับริกรรมไม่ได้นะคือจิตมันละเอียดสงบเข้าไปจนถึงขั้นละเอียดนึกคําบริกรรมไม่ออกเลยคือหมดจริงๆรุงขึ้นมาไม่มีเลยไม่มีเลยเหลือตั้งแต่ความรู้ที่ละเอียดชุดอยู่ในนั้นในจิตขั้นนี้ จนเกิดความงงเอนี่จิตของเราบริกรรมมาตลอดเนี่ยคาี้คำบริกรรมก็ไม่มีบริกรรมยังไงก็ไม่ปรากฏทํายังไงก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดแล้วจะทำยังไงงงกลัวมันจะเสวมอยู่จึงได้งงก็เลยได้สติเอา้าถ้าว่าคำบริกรรมมันหายไปเอาให้หายไปแต่กับความรู้อันนี้จะไม่หายสติจะจับเข้าอยู่กับความรู้อันนี้ จนกว่ามันบริกรรมได้มไหร่จะบริกรรมทันทีจิตเขปักอยู่กับความรู้พอได้จังหวะความรู้ที่ปรุงไม่ได้นี่มีแต่ความละเอียดรู้อย่างละเอียดลเอียดนะมัน ค, ค่อยคลี่คลายตัวออกมามเรียกว่ามันถอยออกมาทำบริบริกรรมบริกรรมได้เอาคบบริกรรมติดเข้าไปอีกเลยตลอดอย่างนี้เป็นเป็นพักเป็นพักเป็นพักพอถึงขั้นมละเอียดจริงๆหมด คำบรญกรรมหายเลยจับอันนั้นไว้ตามเดิมตามเดิมต่อไปไมันก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนถึงขั้นที่มันเคยเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมไปถึงนั้นแล้วเอา้าเสื่อมไปอยากเสื่อมก็เสื่อมไปเราไว้เป็นกังวลกับความเสื่อมความเจริญเพราะเคยเปลี่ยนมาแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยแต่เราจะไม่ปล่อยคำบรญกรรมนี้ตลอดไปเอากันตลอดมันก็ขึ้นไปเรืเ่อยเรย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 กิตก็ละเอียกเข้าไปแล้วอีากเข้าไปจนกระทั่งปล่อยเองนะคำวยกรรมเมื่อมันถึงขั้นที่จะปล่อยแล้วมันปล่อยเองมีแต่ความรู้เด่นอยู่กับความรู้นั้นโดยสติส ต, สติตลอดไปเลยนี่วิธีตั้งความภาคเพียนขอให้ท่านทั้งหลายตั้งไว้อย่างนี้ผมเคยตั้งมาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจแต่ต้องทำจริงจังนะนี่ทำจริงจังไม่จะทำเลย ไม่ว่าอะไรก็าตามบินเบาทในหมู่บ้านไม่ยอมให้เผอเลยเดินรงกรมไปตลอดเขาใส่บาทไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ได้สนใจมีตั้งแต่คําบุิกรรมพุทโธพุทโธตลอดทั้งไปทั้งกลับทั้งขบทั้งฉันก็ดิบพลิกแพงกว่าไหนคําบุริกรรมจะไม่ปล่อยเลยนี่เรียกว่าบุิกรรมโดยแคร์จนกระทั่งจิตมันตั้งได้แล้วก็เข้าอยู่ในสมาธิมันถึงแน่นหนานมันคงพอถึงขั้น แน่นหนามันคงจริงๆแล้วแน่ใจจะขอมาไม่เสียบนี่ก็คือการเวลานั่งตลอดรุ่งที่หักหมกันเต็มเหนี่ยวจนได้ความอัศจรรย์ขึ้นมาทุกคืนที่นั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นเวลาเก้าคืนสิบคืนนานไหมล่ะแต่ไม่ได้ติดต่อกันนะเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างนั่งตลอดรุ่งที่างทีนึงนับแล้วไม่ต่ํากว่าเก้าคืนสิบคืนเนี่ย ในคืนที่นั่งภาวนาตลอดลุ่งตลอดลุงนั้นจิตได้ความอัศจรรย์ทุกคืนไม่มีพลาดลงแบบอัศจรรย์เลยเพราะมันทุกข์มากทีเดียวความทุกข์ในร่างกายของเราจากการนั่งมากนี้ร่างกายนี้เหมือนกับท่อนสุงทุกขเวทนาเหมือนกับไฟเผาขอนสุ่งคือร่างกายเราทั้งทั้งทอด น, นั่นแหละนี่แหละสติปัญญามันก้าวออกตอนนี้แล้ว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 แล้วก็มาติดอยู่ในสมาธินั้นเสียด้วยความรื่นเริงบันเทิงเพราะเพราะจิตอิ่มอารมณ์เรื่องคิดเรื่องปรุงแต่ก่อนที่กิเลสลากถูไปอยากคิดนั่นคิด น, นี้นี้หมดไม่ใช่แต่ความสงบแน้วอารมณ์อันเดียวของจิตที่เป็นสมาธิเรียกว่าเอากกตารมณอยู่เท่านั้นอยู่เท่าไรอยู่ได้ตลอดตลอดเลยจิตเลยติดอยู่กับนั่นเสียไม่อยากคิดอยากปรุงอะไร ความคิดตรุงถือเป็นความราคาญมายุ่งไม่ได้ความสงบแน่วแน่นั่นเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่ามันก็อยู่ในจุด น, นั่นเสียมันจึงติดสมาธิอยู่เป็นเวลาห้าปีสําหรับผมเองนอนไใจวนพ่อแม่ครูอาจารย์มาขนาบไล่ออกจากสมาธิมันถึงได้ออกก้าวทางด้านปัญญาพอมันออกมันก็ออกอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วเพราะสมาธิพร้อมแล้วอืม สมาธิอิ่มตัวหายเรื่องความหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆไม่อยากคิดอยากปุ๊ถือเป็นความราคาญมีแต่ความสงบแน่วแนะ่นั่นแหละมันติดนั่นเสียทีนี้พอก้าวออกจากสมาธิซึ่งพอตัวแล้วนั้นมันก็รวดเร็วในทางปัญญาปัญญาก้าวออกพิจารณาอะไรอะไรนี้มันรู้อย่างรวดอย่างเร็วอย่าี้พอออกจากทาออกทางด้านปัญญา มันตื่นเต้นนะที่นความรู้ทางด้านปัญญาไม่เหมือนสมาธิสมาธิรู้อันเดียวแนวเยู่ในมันแต่ความรู้ทางด้านปัญญามันมีความเฉลียวฉลาดแยบคายสอดส่องมองคะลุนั้นมองคะลุนี้พูดถึงเรื่องธาตุเดืองขันทะกลลกายทิจนาอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันก็ชัดเจนชัดเจนเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุพังนี้ เอาจนกระทั่งถึงชนานาญเต็มเหนี่ยวเลยอมองดูคนการพิจารณาอสุภาสุฟังพิจารณาได้ทั้งกายนอกกายในาย <c oughs> กายนอกเช่นสัตว์บุคคลใดหญิงชายใดก็ตามมาพิจารณาเป็นอสุภาสุฟังได้กายในยก็หมายถึงตัวของเราพิจารณาให้เป็นอสุภาสุฟัแต่ก็ระจายลงไปได้เช่นเดียวกันกับภายนอกเมื่อมันชํานาญเข้า เต็มที่เต็มที่แล้วสติปัญญามันรวดเร็วอมองดูคนนี้มันจะเห็นเป็นซากอสบไปเลยน ะ, อะมองดูคนเห็นเป็นซากอสบพริบตาเดียวเท่านั้นถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเวลามันชำนานพอในเรื่องอจุภาสุพังจนถึงขนาดเกิดความกล้าหาญชานใจต่อราคาตันหาไม่มีราคาตัญหาตัวใดจะมาแสดงเย็บยบยบย บ, ยบให้เห็นเลย บางครั้งถึงขนาดที่ว่าหมดไปเลยนะแต่วันสาคัญที่เราไม่ไม่ไว้ใจไม่เชื่อหายเงียบไปเลยก็เพราะอสุภะเข้าไปเป็นหินทับยาทับมันไว้ความสวยงามจึงไม่มีอันนี้ก็เลี้ยงเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งคล้องตัวคลองตัวมองเห็ น, นหยินเห้นชาขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลย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 เป็นเนื้อเต็มตัวแดงโล้มันก็เป็นให้เห็นชัดเจนพริกทางไหนเป็นทางนั้นเพราะความเชี่ยวชาญของปัญญาหมุนไปทางไหนได้หมดได้หมดโจนกระทั่งราคาไม่ปรากฏปรากฏหนึ่งว่าหมดไปเออไปยังไงหมดที่ราคากําหนดยังไงมันก็ไม่มีราคาตาัณหาก็เพราะอสุภะสุภะหรืทัพหัวมันไวจริงจึงต้องเลยทดลองสําหรับเราเองไปอย่างนั้นนะต้องเลยทดลองเพราะจิตมัน มันชินหรือเฉยไม่บอกขณะไม่บอกเวลาเวลาว้ า, าคามวีแล้วไม่มีมันไม่มี เ, เลยปรากฏว่าทํายังไงมันก็ไม่มีเอาสมมติว่าเป็นพวกสาวๆหนุ่มสาวๆยืนเป็นตับกันอยู่นี่เดินบุกเข้าไปได้เลยมันจะไม่มีความกํำลัดยินดีในหญิงใดจะเป็นเทวดามามันก็ไม่นั่นก็พออราะอสุภัสพังเต็มหัวใจยอยู่แล้วมันเอาสุภอสุพังออก เป็นโล่บางหน้าเบิกทางไปอย่างสบายๆแล้วจะมีหญิงชายใดที่สวยที่งามพอให้เกิดความประหนบยินดีนี่แหละมันถึงมันถึงในหมดไม่แสดงแต่มันไม่หมดจริงๆนะคือมันหมดการแสดงออกซะนั่นมันต้องหกตัวเข้ามันเนี่ยการทดสอบเจ้าของได้ท ด, ทดสอบเพราะเราเนี่ยมันทํายังไงมันก็ไม่ดียังไงก็ไม่มีจังไงทดตอบดิผมก็เคยเล่าให้หมูเพื่อน สอนหมู่เพื่อนฟังวิถีการทดสอบตัวเองเอาจงกระทั่งเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วมองดูอะไรมันมันเป็นอสุภะตั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าหญิงว่าชายแพ้เดียวนี่ขาดสะบั้นไปเลยถ้าให้กําหนดให้พังนะพังทันทีกําหนดให้เป็นกระดูกก็เป็นกระดูกโครงกระดูกอยู่งั้นกําหนดเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความชานาญของจิตจากนั้นมามันก็สิ้นมันสิ้นขจริ ง, ร ง, รงๆเหรือมันไม่มีอะไรเหลือ เราก็ไม่ไว้ใจไม่เชื่อไม่เอาจึงก็ เ, เลทดสอบทบทวนใหม่ข้าวนี้พิษเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงเรื่องอชุภาอสุฟังทั้งหลายที่ว่าไม่สวยไม่งามมันจริงความกำนัดจริงระงับลงไปกันนะนั่นที่พริกใหม่ขึ้นมาพิกให้มันสวยมังามเพื่อจะทดสอบดูราคาตัญหาตัวนี้มันจะแสดงขึ้นในขณะใดอยากจะรู้ตัวของมันตํนด เอาทดตอบเอาใหม่ที่นี่ไอ้ที่ว่าอสุภาสุภังณพลิกหมดให้เปลี่ยนรูปร่างใหม่เอาหนังหุ้มห่อเขาให้เป็นหญิงสวยหิงงามประหนึ่งว่าเทวดาเอาเอาอันนี้ออนนแต่พอพอหมุนปร้ทงอสุภาาัชม่ได้นะขาดซะบ้านทันทีล้างเอาไว้นะอสุภัไม่ให้ออกมาทำงานเวลานั้นจะให้ตั้งแต่สุพัคือความสวยความงามออกมาทางานอย่างเดียวเอา เ อ, เอาให้มัเต็มยศเลยนะเราสอนนักปฏิบัติเราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วสอนเอาผู้หญิงสวยๆนั่นแหละมาเกอดไว้ตลอดเลยเอากอดทำยังไงมันจะ ก, กําหนดเท้าไว้วิธีให้มันแสดงให้เห็นเมื่อมันมีแล้วมันจะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นจึงทดสอบทุกอย่างเอาทุกแง่ทุกมุมหาเหตุหาผลพูดจริงๆรู้มาได้สามหรือสี่วันเนี่ยผมไปลืมละในตอนนี้แหละอทดสอบวันเนี้ยไม่ใหพลาดจาก จากกายตัวเองเลยนะไปไหนกอดผู้หญิงสวยๆไปด้วยทุกแห่งทุกมุมทาทุกอย่างที่จะมันจะเกิดความกําหนัง ด, ดีๆนะสมมุติทุกอย่างแงไดที่มันจะเกิดราคาตัณหาเอามาทุกแง่ทุกมุมอยู่นั่นถึงสามวันกันนั่นมันไม่แสดงเลยแสดงเลยอจนกระทั่งลุ้นจะเป็นวันที่สี่ที่ผมเทศแล้วนั้นนั่นแหละเป็นความแน่นอนคราวนี้กลายมาเป็นความจําเสื่อมแล้วแหละทีนี้ แล้วพี่ไปพอถึงวันรู้มันเป็นวันที่ส่นั่นแหล ะ, อะพอถึงวันที่ส่กลางคืนประมาณสามทุ่มนี่นี่แหละคือให้กอดลัดกันอยู่างนั้นน่ะเอาตั้งเรื่องสวยๆมันหลอกมันอยู่งั้นเรื่องอุจภะพไม่เอาเข้ามาถ้าเอาข้ามาไม่ได้มันขาดกระ บ, บ้านไปเลยเพราะมันหุนแรงเอาแต่อย่างเดียวพอถึงประมาณสักสามทุ่มกว่าหรือไง มันมีลักษณะยเรียบนีน่ี่นั่นน่ะอันนี้ mitad, น, นี่ละนี่ละนี่ละะไรจับได้ละนั่นอย่ยงเออนี่ยมันหมดยังไงเนี่ยมีนี่คือมันมีอยู่ในในความเคลื่อนไหวของจิตนิดนิดเท่านั้นนะไม่จะมาแสดงออกมาทางอวัยวะนะพอให้เราจับได้มียิบเยเอะเนี่ยชอบคนเอาแ้วยิ yes ่งเราทำยิ่งน wow okay, ําทําหนักเข้าหลอกเข้าไปเรื่อยเพื่อจะทดสอบหาตัวโจรผู้ร้ายที่มันซ่อนอยู่นั้นความสวยงามนะมันซ่อนอยู่อย่างลึกลับที่มันแสดงออกมา หยิบยับห ย, ยิบยับเอากําหนดเขาอีกเสริมเขาอีกมันก็แสดงมาให้เห็นชัดเจนเราจะเอาเพียงความชัดเจนเราไม่เอาให้มากกว่านั้นให้เห็นชัดเจนว่าราคาที่ยังไม่สิ้นเอาทดสอบมาพอมันแสดงขึ้นมาลูกว่าอ๋อนี่มีจริงๆยังไม่ครั้งนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรนาเพราะทางไม่เคยเดินเรื่องอสุภรพ์สุฟังเราก็ก้าวเดินมาแล้วมันก็สงบลงไปถึงขนาดนี้จนวันหนึ่งว่าเจ้าของ นี่สิ้นราคาตัดหนาแต่แล้วมันก็ไม่สิ้นอย่างนี้อาจจะว่าไงแล้วนี่จะปฏิบัติอย่างไรสุดท้ายก็เลยเอาสับป่นกันนะเ อ, อพริกแพงเปลี่ยนวาลากันกําหนดสุภาพคือความสวยงามขึ้นมาหลอกจิตให้มันแสดงตัวราคาตัดหนาขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาอสุภาพฟาดตรงไปขาดจระบ้านไปทันทีนะมันเร็วขนาดนั้นนะพอจับได้ว่ามันมีเดังนั้นอสุภาพ ฟาดลงไปนี่ทับกันนี่ขาดจะบ้านไปเลยเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนกันอยู่อย่างงั้นเวลามันจะได้มันจะได้หลังได้เจนก็สองอย่างนี่แหละทําอย่างนี้เปลี่ยนแปลงกันไปพลิกไปทางสุภาพบ้างพลิกไปทางอสุภาบ้างกําหนดดูมันเอาเ อ, า เ, อาเรื่องทํำลายนี่มันรวดเร็วที่สุดแล้วล้างเอาไว้จะไม่ให้ทําลายเอาดูกองซากอสุภาพเอาดูมันเป็นยังไงดูไปดูมานี้กําหนด แพงดูไม่ทําลายนี่ก็ตอนตอนมันจะได้ได้หลักได้เกมฑ์นะเอาให้ฟังนะท่านทัน้งหลายให้ฟังเอาไว้พอถึงขั้นนแล้วเอากําหนดอาถรพะตั้งไว้ตรงหน้านั้นเลยทีเดียวะไม่ยอมทําลายเอามันจะไปยังไงอสุภพะอันนี้นะ่ะมันทําไมมันถึงหลอกกูนักหนาน่ะวะนี่เข้ามาอาถรพะมามันมั น, มนไปอีกแบบหนึง่งหลอกก็อีกแบบหนึง่งอ่ สุภาพมาหลอกไปอีกแบบนอ่ะสุภาพมาก็หลอกไปู่กแบบนคือรูปสวยงามมามันก็หลอกไปอีกแบบหนึ่งรูปไม่สวยไม่งามมันก็หลอกไปอีกหนึ่งทั้งสองอย่างนี้มันหลอกเราต้นเหตุมันมาอย่างไงเนี่ยเหตุที่จะจับได้เอาเท้านี้จะไม่จะไม่ทำลายมันแต่กำหนดเอาสุภานั้นเอาไว้ให้มันนั่งเป็นคนตายท้องตวัวเน่าให้เห็นอยู่ก่อนหน้าเอากำหนดไว้ที่นี่ไม่ให้มันทาลาย คือไม่ยอมทำลายถ้าเราทําลายมันรวดเร็วมากพังเดียวเสร็จเลยนี่ไม่ทํำลายเ อ, าอ้าไอ้ภาพวันนี้มันจะไปอย่างไงมาอย่างไรเราจะดูมันที่นี่ทุกอย่างแล้วก็ทําไปแล้วมันก็เท่าที่เห็นเท่าที่เป็นมานั้นนหะยังไม่เห็นความคืบหน้าประการใดเลยข่าวนี้เราจะดูภาพสุภาพก็ดีอสุภาพก็ดีที่มันหลอกกันทั้งวันทั้งคืนมันต้นสายปลายเหตุมันมาอย่างไงว่างั้นนะเลยตั้งอสุภาพานี้ไว้ตรงหน้าแข่งอ่ เพ่งดูไม่ทําลายเหมือนย่างเพ่งกสิณเนี่ยเอาตั้งไว้นี้เอา้ามันจะไปไหนเราจะดูตัวนี้มันมาอย่างไงไปยังไงมันถึงได้เล่ห์ล้อเรานั่งหนะก็ตั้งไว้นีกําหนดเพ่งดูไม่ทําลายมันก็ไม่ทําลายแต่ เ, เพ่งดูดดจดต่อต่อเนื่องด้วยสติดูดู ด, ดูแล้วอสุภะนั้นนะเอาค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาภายในใจเมื่แล้วก็ ค่อยหดเข้ามาหดเข้ามาตามดูตลอดเอา้ามันจะไปยังไงดูดูแล้วสุดท้ายจิตนี่มันกลืนเราเองอสุภะนั่นอะ่ะจิตนี่กลืนเข้ามาคืนเข้ามาคืนเข้ามาจนกระทั่งถึงจิตพอเข้าถึงจิตครับเต็มเหนี่ยวแล้วทีนี้มันก็รู้ึ้นในขณะนั้นอ๋อตัวนี้เองตัวหลอกเราคือจิตเท่านั้นไปเป็นสุภะก็ดีไปเป็นอสุภะก็ดี เมื่อเวลามันรั่วมันก็เข้ามาสู่จิตจิตเป็นตัวหอลอกลวงเรานัา่นสุภาษกวดีอสุภาษกวดีไม่ใช่ราคะไม่ใช่ตัณหาตัวหลอกลวงที่มันกืนเข้ามานี่เองเป็นเป็นราคะเป็นตัณหามันก็ปล่อยปุ๋งเลยที่นี่ต่อยสุภาษภายนอกสุภาษภายนอกเป็นเครื่องหลอกไปจากจิตใจตัวนี้พอดึงเข้ามาแล้วกับตัวนี้เองเป็นอนสุภาษไม่ใช่ตัวไหนตัวจิตนี่เองเป็นอนสุภาษตัวจิตนี่เองเป็นตัวหลอกสุภาอสุภาษข้างนอกไม่ใช่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 เรียกว่าสอบได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าเป็นถึงขั้นอนาคาก็เรียกว่าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นจากนั้นเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มีความคล่องแคล่วแก้วกาไปโดยแบบด้วยการฝึกซ้อมโดยทางอาคุฟาสุพังเพ่งอยู่นั่นแล้วยืนเข้ามาปืนเข้ามาต่อไปมันก็เร็วเข้ามาเร็วเข้ามานี่เรียกว่าการฝึกซ้อมทํำขั้นนี้ให้มีความคล่องแคล่วว่องไวละเอียดลรอ จนกระทั่งมั น, ม, นมันเร็วเขาโดยลำดับพอกาหนดปั๊บนี่ืเกินเข้าม า, าพับหายเงียบหายเงียบจนกระทั่งไม่มีอุภาะไม่มีเลยปรุงพั็นาอรูปะดับลงที่หัวใจดับลงที่หัวใจนี่คือการฝึกซ้อมทำขั้นนี้ให้มีเปอร์เซ็นต์หรือระดับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเบื้องต้นขึ้นห้าสิบเอร์เซนตที่เราจับหลักได้นี้ก่อน จากนั้นก็ก้าวไปก็ไปแล้วอย่าเข้าไปเลยสุดท้ายมันก็ว่างหมดเลยภูมิภาพดับพร้อมดับพร้อมว่างหมดว่างหมดเลยนี่ละขั้นนาคามียเต็มภูมิตอนนั้นะ่ะตอนว่างหมดว่างหมดว่างหมดจากนั้นมันก็เข้าถึงอวิชชาอวิชชานี่เป็นขั้นสุดท้ายของอนาคามีจะก้าวเข้าขั้นนั้นพอเข้าถึงอวิชชานี้ก็ดับ ถึง ว, วิชาว่าวิชาดับเพมลมหมดปัญหาโดยสการทั้งปวงนี่ผมสู้พูดอย่างย่อๆให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายฟังมิทีการปฏิบัติกรรมฐานเรื่องราคาตาัณหาอย่าไปเชื่อมาง่ายๆใ ห, ให้จับจุดนี้ไว้ให้ดีแต่อย่าไปคาดนะไม่ได้นะให้มันเป็นเองในหัวใจด้วยอย่างนี้เองการสอนอยู่เพื่อนขั้นนี้สอนลาบากมา ก, มากนะสอนขั้นที่จะเอากินเอาจังเข้าได้เข้าเขียนก่อน หน้ามันที่จะกลืนเข้ามาเป็นอสุภะภายใน ใ, นใจเื่อเองนี่ต้องเป็นเรื่องของไปจิตเป็นเองถ้าสอนแล้วอย่างนี้เนี้ยมันก็จะไป็หมายทั้งละหมายไว้ก่อนทีมันก็ไม่จริงอีกนะต้องให้เป็นในตัวเองมันถึงจริงเพราะฉั้นเวลาสอนอันนี้เราจึงจึงไม่บอกนะบอกแบบนี้ไม่บอกบอกตั้งแต่ให้จับจุดนั้นไว้มันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไหนเราไม่บอกเอาให้จับจุดนี้ไว้มันจะเอาเคลื่อนไหวไ ป, ไปมา ทั้งหลายก็ช่งหัวมันให้เราเห็นในขณะนั้นปัจจุบันปัจจุบันแล้วมันจะเข้ากับถิ่นตัวของมันเองเนี่ยแราว่าเราพูดได้คานั้นจะบอกแบบนี้ไม่บอกไม่ได้นะแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะจะมาสําคัญมันหมายอย่างละเอียดนะสัญญาตัวสมุทรไทยอยางละเอียดมาหลอกไปก่อนล่วงหน้าไปก่อนทั้งที่มันไม่สิ้นทั้งทั้งที่มันยังไม่สื่นมันก็มาตื่นื่องความสําคัญมันหมายตัวเองมันก็ไม่เกิดผลก็ต้องให้เป็นหลักปัจจุบัน ในปัจจุบันปัจจุบันวันเป็นเองในปัจจุบันนั้นไปที่แน่ใจตัวเองการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างงั้นอันนี้ออกจากนี้แล้วมันก็ฝึก้ามลังไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยคติปัญญาอัตโนมัติไปเรื่อยหมุนทิ้วทิ่วทิ้วจนกระทั่งถึงขั้นรวิชาอขั้นระวิชานี่บทเวลามันจเจาจริงๆแล้วโอ้ยมันพูดกับใครไม่ได้นะถ้าพูดไปผู้ฟังก็หมายเอะมันน้ำกน ะ, ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจาร ท่านเทศนี่ท่านจึงว่าพอเข้าถึงนั้นนั้นท่านท่านหยุดนะท่านไปพูดกับข้างหน้านุ่นเวลามาเป็นในเราแล้ ว, ลวถึงเลยรู้อ๋อทําไมท่านพูดมันเป็นเพราะอย่างนี้เองผู้ปฏิบัติจะมีความสําคัญอแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเป็นสมุทรไทยฆ่าตัวเองไปดูลําดับแล้วมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์มันเป็นความคาดลึกๆ ล, ลับๆที่ได้ยินจากครูวาจารย์มาแล้วมาฆ่าอย่างไม่รู้ตัวนะะเอียดสัญญาตัวนี้ละเอียดมากทีเดียวจึงไม่ จึงไม่สอนผมสอนเวลาสอนนี่ผมได้ระวงังถึงขั้นอวิชาก็อยู่เหมือนกันนั้นนะเออมันไม่ใช่เล่นๆ น, นะให้มันเป็นขึ้นมาเองเป็นขึ้นมาเองนั่นมันประจักษ์ประจกักษ์เรื่องอวิชานี้กับแบบเดียวกันถ้าลงจิตใจนี้ยังไม่เห็นไม่เห็นจิตใจนี้ว่าเป็นเป็นตัวโทษตัวกรรมไว้หล้วแล้ ว, ลวนั่นแหละคืออวิชาเนี่ยพูดได้เชียงทอนนั้นนะที่แรกก็ไปบำรุงรักษา พยายามกันอยู่ในนั้น่ะว่าเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในนั้นในๆนั้นมันก็ติดอยู่ในนั้น่ะตัวนั้นน่ะคะืออวิชชาพอเวลาเอาคนจริงๆแล้วมันเป็นไผว่ามันต้องมันต้องเป็นโทษขึ้นมาก่อนไม่เป็นโทษขึ้นมาก่อนไม่เห็นไม่เห็นโทษของอวิชชาและอวิชชามันไดอวิชชาขาดไปไม่ได้นะเนยอันนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะเให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ปฏิบัติเองันนี้มันเป็นประจักษประจักษประจักษ์กันตัวเป็นสันทิ่ิโกสันทิ่ิโกไม่ต้องมีใครบอกมาบอกมันเป็นขึ้นไปยังยอมรบับยอมรบัมรบทุกอย่างไม่สงสัยไม่สงสัยถึงเยืว่าชันที่ิโกถึงขัน้นดุริชานี้เรียเป็นเรื่องที่โห้ยอาจารย์มากนะสําหรับจิตผมเนะี่ยผมพูดจริงๆนะพูดอะไรก็ไม่ถูกนะพอถึงขัน้นดุริชาดับนี่มันหนึ่งว่าฟ้าดินนี้ถล่มเลยนะี่นะสะเทือนสะท้านไปหมดเลยมันเป็นอยู่ในจิตนี่นะ ขนาดที่อวิชาขาดสะ บ, บั้นลงไปจากจิตจิตจากจิตตวิมุตติถึงขึ้นมานี่โถเหมือนฟ้าดินถล่มแต่ท่านว่านไวไปหมดตากรกนะสิ่งทั้งหลายเขาก็มีอยู่งั้นแต่มันเป็นในหัวใจเองนะว่าหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายนั้นก็ไหวไปตามหมดมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าโอ้โหโอ้โหขึ้นมาเลยนะโ อ, อย้ยางนี้เหลือเนะ่ะ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 ที่อวิชาซึ่งเราเคยชมเชยสรรเสริมมันว่าสง่าผ่าเผยละเอียดละออเนี่ยอมอัศจรรย์แล้มันกลายเป็นชี่กองที่งควายขึ้นมาขนาดที่มันขาดลงไปยึดจวีมูดโผล่ขึ้นมาเท่านั้นนะยึดจวีมูดนี่เป็นอะไรฟังสี่มันถึงได้ต้องไปตาหนิอวิชาที่ว่าอัศจรรย์เกินเกินข่ากิหมายกลายเป็นกองที่งควายไปได้มันไม่เหนือกัน ขนาดนั้นจะมาทำหนีอวิชชาได้หรือทั้งท้งที่อวิชชาแต่ก่อนเราก็ชมมันนี่แล้วก็เราเองเป็นผู้มาตามําหนีมันว่าเท่ากับกองขี้ควายฟังทีห่ะมันเท่ากับกองขี้ควายมันเร็วขนาดไหนเหลวไหลขนาดไหนหลอกเรามาได้ขนาดไหนพอถึงขั้นไม่หลอกแล้วมันก็สนุกดูกันนะจีนี่แหละที่ว่าอาศาศาัศจรันตเวลามันขึ้นมานี่ต้าไปหมดเลยโธเป็ น, อ ย, นอย่างนี้เหลืออนี้เหลออ๋อพระพุทธเจ้าแั่รู้อย่างนี้แล้เหรืออย่างนี้เหลอนู่นอ่ะ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 ธรรมธาตุก็เป็นตัวเต็มตัวแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมสองคือธรรมธาตุเป็นอันเดียวกันเท่ากับน้ำมหาสมุทรเมื่อเป็นอย่นั้นไปถามพุทธเจ้าหาอะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถามหาอะไรพระธรรมพระสงฆ์ถามอะไรก็มันเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นเป็นธรรมธาตุล้วนๆเท่ากับน้ำมหาสมุทรครอบโลกธาตุเป็นธรรมธาตุด้วยกันทั้งนั้นแล้ไปถามวาท่านหาอะไรนี่ละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเนเราธาคตุเต็มตัวเห็นตรงนี้ ไม่สงสัยที่ไปทูลถามมือเจ้าพราะองค์เป็นผู้เช่นไรธรรมชาตินี้แหละคือพุทธพุทธะแท้หรือพุทธเจ้าแท้ธรรมชาติแท้เืออย่างนี้สำหรับ เ, เรือนร่างคือสกลอากาศนี้มันก็ต้องแตกต่างกันเป็นธรรมดาเช่นนี้ท่านมิพานาที่เมืองนู่นเมืองนี้อยู่อินเดียนั้นเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นสังขารร่างกายมันพังลงเป็นส่วนผสมของาธาตุขัน ธรรมธาตุทั้งเป็นแล้วตั้งแต่วันท่านตรัสรู้นั้นครองธาตุขันธ์นี้อยู่พอธาตุขันธ์ถลายไปธรรมธาตุนั้นก็เต็มตัวไม่ต้องมีความลับผิดชอบอะไรอีกเลยนั่นแหละที่ว่าสมมติขาดไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือในจิตของมาหลานและพัดของธรรมธาตุนั้นเลยก็ขณะที่ธาตุขันธ์ดับลงไปเพลบแล้วนั่นแหละสมมุติหมดอุดปการทั้งปวงทั่วแดนโลกธาตุไม่มีความหมายอะไรเลย มีแต่ขันท่านั้นที่ยิดที่ดินด้นสัมผัสสัมพันธ์ให้รับทราบตลอดเวลาเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะมีความรับผิดชอบในเพียงขันนี้ท่านั้นมีผ่านกันอยู่ตลอดเวลาคือธาตุขันพอธาตุขันนี้ดับลงไปแล้วก็หมดเขาหมดนี่หมดโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือห ล, อ เ, หลอเลยนะ่ะเป็นอย่างนั้นนะเออนี่ละจิต ท, ที่มันถึงขั้นเต็มภูมิวันแล้วจะไปสูนถามผู้เจ้าจหาอะไร พูแล้วซาทุกันเลยนะมันประจักษ์ขนาดนั้นแล้วถึงขนาดที่ว่าเห้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้แหละหลืออย่างนี้หรือคือมันจังๆแล้วนั่นอ่มันไม่มีอะไรสงสัยกันแล้วแล้วทาแทบไปอย่างนี้เหลือไปอย่างนี้หรือพระสงฆ์แทบไปอย่างนี้หรือมันเข้าไปคนเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันแล้วแล้วจะถามใครนี่หละจิตดวงนี้แหละเวลา ถึงขั้นนั้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงท่านแสดงไว้ว่าวุธิศตังพระมจริยังกตังกริยังนาประลังอิตายะติประชานาติเสร็จจิตในพุทธศาสนาคืองานที่ควรจะบำเพ็ญได้บำเพ็ญสาเร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่จะทำยิ่งกว่านี้อีกไม่มีนั่นนั่นละงานพุทธศาสนาเมื่อกิเลสขาดสะบัลงไปจากใจแล้วเรียกว่า งานนี่หมดโดยสิ้นเชิงงานละการนันเพลศไม่มีเลยไม่มีอะไรเขาไปเกี่ยวข้องก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันแนวความเป็นอยู่ผู้วายพายจริงอยู่หลับนอนเป็นธรรมนาเป็นเรื่องธาตุเรื่อขั น, นการที่จะให้เป็นงานละกิเลสเป็นงานต่อไปดังที่เคยเป็นมาแล้วโดดโดยสิ้นเชิงขนาดที่กิเลสขาดสะบันลงไปแล้วนั่นนั่นละงานของธรรมมีเวลาสิ้นสุดยุติงลงไล่ตั้งแต่ขนาดนั้นแล้วไม่ปรากฏว่ามีงานอะไรที่จะให้จิตทำ เพื่อละเพื่อถอนอีูต่อไปเลยมันก็ประจับอยู่ในหัวใจแล้วประรู้ประจับอย่างนั้นด้วยว่างานนี้สิ้นเสร็จลงไปแล้วขั้นต่อมามันก็มันก็เป็นตังปัจจุบันที่เป็นอยู่นั้นไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะให้เราทําอีกต่อไปเนี่ยการรากเฉลี่ยสิ้นสุดลงไปแล้วไม่มีงานละไม่มีอะไรเป็นข้อกังวลต่อไปงานของเฉลี่ยไม่มีสิ้นสุดนะพาสร้างพาทำเทไร่ได้เท่าไหร่ยิ่งอยากได้อยากมียิ่งดีบยิ่งดิ้ยิ่งมีแต่ความทุกขความทรมาน เต็มหัวใจเก็มว่าใจเต็มโลกเต็มองศาเหมือนกันหมดงานของกิเลสในหัวใจสั่นโลกโลกมีความต้องมีศีสุขมากน้อยเพียงไรยาเข้าใจว่าผููนั้นจะมีความสูงนะก็คือพ่อภูนงานขึ้นให้ดีให้ดีนต่อไปไม่มีเป็นน้นํารดน้นํารดนต่อไปที่จะพออยู่ในขอบปากแก้วไม่มีนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นทำนี่มาถึงขอบปากแก้วแล้วสิ้นสุดพิมุติูพ้นหมดไม่มีงานทําอีกแล้วพระพุทธเจ้าหมดภาระ เรื่องการละกิเลสตั้งแต่ขนาด จ, าจัตเรูพระอรหันต์ทั้งหลายหมดพระราษฎรตั้งแต่ขนาดที่บรรลุธรรมปึงขึ้นมาตอนนั้นหมดตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีงานอะไรอีกเลยน่นก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันการสงฆ์ข้าโลกสงสารซึ่งเป็นเรื่องภายนอกไม่เห็นจําเป็นอะไรกับเรื่องจิตใจที่บริสุทดแล้วอีกต่อไปเลยนั่นนี่ละการปฏิบัติธรรมขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติมากฝนผ่าน ย, ยาไปถามหมากิเลสหลอกดังหมันหลอก อาการิโกอาการิโกท่านแสดงแล้วทำเป็นอาการอิโกเป็นไม่เลือกสถานการเวลาใครบำเพ็ญธรรมเมื่อไรทำเกิดใครดิ้นตามสิเลสเทา่าไรกิเลสเกิดตลอดเวลาเหมือนกันหมดกิเลสก็เป็นอาการอิโกเหมือนกันทําให้เกิดิเลจเมื่ อ, อไรเกิดได้มากน้อยตามผู้ที่นั่นดิด้นดิ้นไปตามันผู้บำเพ็ญธรรมะมากน้อยกลอดแล้วแต่กําลังวางชางผู้นั้นจะทําเรองกระั่งถึงพิมุตติหลุดพ้นไปแล้วเรียกว่าน้ําเต็มแก้วแล้วพอ ไม่ต้องมาทําอะไรอีกต่อไปนี่แหละเรื่องมรรคผลิพานสัจจ า, รรางองค์เอกคือพระเจ้าของเราจัดถ้รู้แล้วไม่มีอะไรสงสัยสอนโ ล, โลกทั้งหลายที่สอนจากมามาจากหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมดไม่มีอะไรคำว่ารอยไม่มีอะไรคำว่าผิดพลาดที่ศาสจะสอนไว้แล้วตรงเองตรงเป่ง เ, ปเลยนั้นให้ตั้งใจปฏิบัติทงตามหลักศาสจะไม่มีคมาําว่าโกหกเรียว่าสวาคาดำ สวาคาตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมแห่งธรรทั้งหลายตั้งแต่บาบุญนรกสวรรค์พุทธโลกนิพพานเต็มแม่เต็มเต็มหน่วยตามหลักความเป็นจริงที่มีนี่แหละจํากันทุกคนจําว่านะเทไปเทมามันก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยไปเหนื่อยไปอย่างนี้อาการเทนให้ถือให้เป็นกติตัวอย่างต่อไปให้พากันไปปฏิบัติย่าเห็นโลกของสารว่าเป็นของเลิศของเหลน่อะไรมันเลิศเลือทั้ง แต่ความสมมุติเกสกสรบัญญัตินะคนระับแต่ตัวจริงมันไม่ได้เลิศ ม, มันสร้างแต่ความทุกข์ให้สารโลกดิ้นดิ้นกันตลอดเวลาก็คือจีเรศนั่นแหละทําท่านไม่สร้างนะท่านอยู่สม่ำเสมอพอดีพอดีทุกด้านทุกทางเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งอกตั้งใจละการแสดงธรรมขอสุขควรตกกาลังวังชาทางหน้าทางกาปฏิบัติละพอ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 ความคิเลศนี้มันมีอยู่กับหัวใจของทุกคนบีบบังคับมันไว้มันก็ออกดื้อๆต่อหน้าต่อตาเพราะมันเป็นอัตโนมัติคือความเคยชินคล่องแคล่วของมันที่มันใช้จิตเป็นเครื่องมือทํางานเพื่อวัดจักรของมันอยู่วนให้หัวใจของสัตว์โลก แล้วก็สร้างกองทุกข์ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยที่โลกมองไม่เห็นเลยเราอยากพูดอย่างนั้นนะจุดที่มันเป็นภัยต่อโลกคืออะไรสับ ร, รมะท่านเรียกว่ากิเลกก็คือสิ่งที่เคลือบแฝงเป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในใจเคลือบน้ำตาลเอาไว้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 เป็นเคลือบน้ำตาลออกมาพร้อมมาพร้อมที่จะใจสัตว์ทั้งหลายติดพันหลงกับมันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเองอย่างหยาบมันก็เคลือบไว้อย่างหยาบอย่างการอย่างละเอียดละเอียดขนาดไหนมีเคลือบไว้เสร็จไว้เสร็จไม่มีจิลิตรัวใดที่จะไม่เคลือบน้ำตาลเป็นเครื่องล่อไว้กับกิยาของมันที่ผลักดันออกมา นี่แะที่เป็นน่าท้อใจเอามากนะพระผู้ปฏิบัติเราเพื่อมรกญผลนิความนี้พอเป็นเอกเทศบ้างซึ่งจะควรทราบ พ, พิษภัยของมันที่ อ, อยู่ภายในซึ่งถูกน้ำตาลเคลือบเอาไว้เคลือบเอาไว้ตามขนาด แห่งกิเลสที่มีหนาแน่นเบาบางขนาดไหนความเครือบน้ำตาลล่อลวงสัต์โลกของกิเลสมันจะเครือบไว้เป็นชัน้นๆชัน้นๆมาเลยนี่คือหลักธรรมชาตินะนท่านทั้งหลายไม่เคยทราบให้จาให้ดีโน่นถึงขั้นเวลาจิตมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมสิงเหานี้จะค่อย ปรากฏขึ้นกับสติปัญญาของผู้บำเพ็ญขั้นต่างๆของสติปัญญาจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้มาเป็นลาดับแล้วก็จะเริ่มเห็นคิดเห็นไถ่กันมา <c oughs> ถ้าไม่มีการกบรมจิตใจนี้บ้างเลยแล้วกี่กับกี่กันเบ <c oughs> ื้องต้นเบ <c oughs> ื้องปลายของวัฏฏะวนที่เคลือบล้วยน้ำตาลนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติลงโดยลาพังตัวเองเลย จะเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนั่นแหละนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระไถยคือมันมองเห็นตัวภัยจริงๆไม่ได้เลยของจัดโลกเพราะที่เริยะตัวเครือบน้าการมันไม่มองมันให้แต่ความพอใจเป็นเครื่องน้ากาลออกมาออกมาหมด <c oughs> เนี่ยสาคัญมากแล้วเวลานี้ศ <c oughs> าสนาก็ค้อยเป็นเกาะเป็นดอนหดย่นเข้ามามากเข้ามามากเข้ามาแล้วนะคือี่เลสมันห้อมล้อมมันตีตลาดเข้ามาเรื่องเรื่อยเรื่องไม่ให้มองเห็นเลยนะคือก่เลนี้ตีตลาดเข้ามาทุกด้านทุกทางโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัว มันมาทุกแง่ทุกหมุมไม่ให้รู้เลยอก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละที่เป็นเครื่องหลอกลวงมันมาทุกแบบนะวัตถุต่างๆที่เป็นเครื่องมือของพิริศ เ, เป็นกลุ่มวายของพิริศที่มาลบล้างทำมันยกตัวของมันให้เป็นที่สนใจต่อสัตโลก มีน้ำหนักขึ้นทุกวันทุกวันกระจายตัวออกมาทุกแบบทุกฉบับมองไม่ทันนะลำพังสติปัญญาธรรมดานี้มองไม่ทันมันออกทุกแง่ทุกมุมมีแต่ยี่ท้อมล้อมภายใน จ, ใจิตใจอยู่ตลอดมาแล้วก็อาศัยสิ่งที่มาล่อลวงภายนอกกลมายาขโมนแทกเข้ามาแทกเข้ามาทางภายในนี้ก็ เชื่อความหลงก็มีแล้ว ก, กับใจของเรามันก็ออกรับกันได้ง่ายได้ง่ายหลงกันได้ง่ายรู้กันได้ยากนี่มันสอดมันแทรกมาทุกแน่ทุกมุ ม, มความทุกข์ความทรมานก็รู้ทุกสัตว์ทําไมใจเป็นนักลูจะไม่รู้แต่ไม่มีใครเห็นโทษของมันโทษ ก, ก็ยอมรับว่าทุกดิ้นกระวนกระวายกะเสือกกระสนจนถึง ขั้นลมขั้นตายก็ไม่เห็นโทษแต่ความทุกข์นี่ว่ามาจากไหนเนี่ยมันสำคัญตรงนี้นะขั้นจึงสอนให้อบรมจิตใจคือให้ดูใจใจนี้คือมหาภัยเนื่องจากกิเลสตัวมหาภัยฝังใจอย่างลึกมากเกียวจนไม่อาจมองเห็นได้เลยว่านี่คือใจแช้มันมีแต่ ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสออกมาแงใดมุมไหนความหลงออกมาพร้อมความเชื่อตามกิเลสออกมาพร้อมออกมาพร้อมกิยาของกิตที่คิดๆๆเช่นสังขารปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรก็ตามความเชื่อจะขึ้นมาพร้อมพร้อมเลยนะมันไม่ให้รู้ตัวเลยว่ามันหลอกมาพร้อม พวงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องเราอะไรก็ตามดีชั่วทำให้ติดได้ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องชั่วนี่เป็นเรื่องดีควรติดไม่ควรติดมันเป็นของควรสำหรับกิเลสที่จะหลอกสโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยโลกยึงรู้ไม่ได้มีแล้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูใจเช่นบาเพ็ญภาวนานี่คือ เรียกว่างานของใจโดยแท้ที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นภัยต่อตนเองให้ค่อยลู่เนื้อลู้ตัวค่อยขยับขยายออกในสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นเริ่มตั้งแต่ใจเป็นฟืนเป็นไฟเข้าสมาธิไม่ได้นะคือกิตเลยมันตีออกไปตีออกไปจิตมันจะฟุ้งเฟอเ้อเหื่อหืม ด, ดิ้นตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอ นี่คือเรื่องของี่เหลอดร่วนๆผ ล, ลักดันออกไปให้คิดให้ปุ่งไม่อิม่มไม่พอไม่เข็ดไม่หลับมีแต่เชื่อมันเรื่อยๆไปตลอดเวลาหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ท่านจริงสอนให้เข้ามาดูจิต ด, ด้วยสตินานขึ้นแล้วนะนี่แหละจุดที่จะรู้นะให้รู้ด้วยสติ ด, ดูจิตเช่นผู้ภาวนายังไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไร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 ผู้จะค่อยระงับดับความฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมที่เป็นฟืนใสซึ่งกิเลสมันกลักดันอวกไปให้ค่อยทราบเข้ามาบีบบังคับมันอยากคิดเรื่องนอกใครความอยากไม่ให้ถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่งต้องเอากันขนาดนั้นไม่งั้นเอากันลงไม่ได้นะจิตเข้าสงบไม่ได้เป็นสมาธิความสงบเย็งใจบ้างไม่ได้นะถ้าไม่ใช้สติปัญญา ความฝา่าฝืนบีบบังคับกันจริงๆด้วยจิตภาวนามีสติเป็นเครื่องบังคับใจไม่ห่างเหินจากกันเลยนี่คือเรื่องเอาจริงเอาจังที่จะเห็นโทษเห็นคุณของธรรมและของกิเลสภายในใจดวงเดียวกันนั้นต้องใช้ความอดความทนความบึกความบืนความฝา่าฝืนทุกอย่างด้วยความภาคเพียรเรื่องระบริกรรมทำบทใดก็ตาม เป็นพุโทโธพุธโทโธให้ตั้งหลักเจนร้านยาหวังมักหวังผลเไรนอกจากคำว่าพุโทโธกะสะติกลมตื่นกันด้วยความเพียรนี้เ่านั้นนี่แหละรลกฐานเบื้องตน้นที่จะระงับดับควา ม, มฟุ้งเฟ้อเหอ่อเหอิมดิ้นลนกดแ่งของจิตได้ด้วยอำนาจแห่งคำบุญกรรมที่บีบบังคับมันไว้เพราะสังขารที่มันเคยคิดเกย์ปุงนั้นเป็นสังขารของสมุทยัยกอไฟเผาตัว แต่สังขารที่คิดขึ้นด้วยคำ บ, บุญกรรมคือพุโทโธเป็นต้นนี้เป็นสังขาร่ายมรกที่จะระงับดับสังขาร่ า, สายสมุทไทยลงุงด้วยสติเป็นเครื่องกำกับตลอดเวลานี่แหละที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลในท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะผมแก่แล้วผมห่วงมากห่งมห่วงเพื่อนสำหรับผมเองผมไม่มีอะไรแล้วก็เคยพูดให้ฟังแล้ว อยู่กับโลกนี้ผมอยู่เพียงเป็นกิริยาเฉยๆผมพูดกลองๆอพูดให้มันเต็มยศเลยก็ว่ากิริยาอันนี้ใช้เพียงโลกสมมติเพียงเท่านั้นตามขหนึประเพณีที่โลกยอมรับกันก็ปฏิบัติตามกิริยาที่ยะโลกยอมรับกันผิดก็ยอมบอกว่าผิดอกิริยานี้รักษาไว้ไม่ให้ผิด ถูกก็ยอมรับว่าถูกกิยานี้ก็ดาเนินไปตามความถูกต้องนั้นประจําขันของตนของตนส่วนจิตที่จะมาเกี่ยวข้องผัวพันธุ์ได้เสียกับสิ่งเหล่านี้มันหมดปัญหาไปโดยสี่เชิงแล้วในแดนสมมุตินี้ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกในจิตใจนี้เลยจะเรียกว่าจิตใจนี้นอกสมมุติไปหมดแล้วก็ไม่ผิดด้วยความทันนัดชัดเจนในหัวใจของเราที่รู้อย่างนั้นจริงๆ ตั้งแต่ที่เคยเก่าให้หมู่เพื่อนฟังมา2493 <c oughs> ฟ้าดินถล่มในหัวใจนี่ก็คือกิเลสพังลงจากหัวใจนั่นเองที่ใจมืดมิดปิดตามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะเวลาได้มันแทจ่างขึ้นมาแล้วลที่ได้เห็นโทษของมันเต็มร้อยเปเ็มันจะสว่างสวยมากน้อยไม่เต็มเม็ดเต็หน่อยสิ่งที่ไม่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่ยนั่นแหละคือกิเลสกี่ขวางปิดบังเอาไว้ ไม่ให้รู้ให้เห็นทั้งสิ่งทั้งหลายมีอยู่เต็มโลกธาตุเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เลยบุกท่องอะไรเลยแต่จิตมันก็ไม่มองไม่เห็นตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายเกล็ดลบล้างไม่หมดลบล้างไมหมดไอ้เราก็เชื่ อ, อความลบล้างของเกล็ดว่าสิ่งนั้นไม่มีไปตามที่เหลือเสียเนี่ยอันนี้สําคัญมากคือเดียวนะที่สัตว์โลกได้ล่มจมเพราะอันนี้เองแล้วมันมีคําว่าเดหลาบอิมพ orna ความคิดความปรุงของใจนี้เราอยากเข้าใจว่ามันจะอิ่มพอไม่มีตื่นนอนขึ้นมาคิดแล้วติดเครื่องวัตจักรเต็มหัวใจแล้วตั้งจวตื่นนอนจนกระทั่งหลับถ้าไม่มีการหลับมนุษย์นี้ตายง่ายที่สุดไม่ได้ไปถึงไหนตายเลยมีระงับกันเ่นเวลานอนหลับเครื่องคือกิเลสทางานก็ระงับดับกันไป พอตื่นขึ้นมาก็ทํางานแล้วนี่คือไม่มีอะไรหักห้ามกันเลยเป็นธรรมชาติของจิตที่ทํางานเนยเป็นวัตถจกักรโดยอัตโนมัติของตัวบนหัวใจสัตว์เป็นมาอย่างนี้โดยกันทเทงานั้ น, นเวลาเราใช้ความพิถีพิถันเอาจริงเอาจังต่อเหตุต่อผลต่ออ ต, ต่อทำจริงๆแล้วเราต้องได้ใช้ความเข้มงวดกวดขันความอดความทนต่อต้านกันเหมือนเขา ขึ้นต่อยกรกันบนเวทีนั่นแหละใครอ่อนข้อไม่อะไร น, นะการตอกกนหรือชกกันบนเวทีต่างโกนต่างเอาชัยชนะเวลานี้กิเลสมันมีชัยชนะก่อนตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีอยู่แล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นความเปลี่ยนของเราจึงเลวไหลเล้ยวไหลตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีพ่อขึ้นไปเวทีแล้วก็งายท้องให้กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอาตลเวลาหาสติไม่ได้ คำว่าความเพียรไม่ทราบอะไรเป็นความเพียรภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นสติก็ไม่มีความบังคับก็มีแต่ความเพื่อสะดวกสบายนั้นคือทางกงกิเล่มันเอาไปแล้วเอาไปแล้วให้คิดทางกงกิเล่นนี่สบายสบายมันสบายเพื่อฟืนไฟเผาตัวเองต่างหากไม่ได้สบายเหมือนอัดเหมือนทำที่ได้รับความทุกข์ยากในการบีด บ, บังคับต่อสู้กันเวลาแรกไปแล้วต่อไปก็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 อยากไปเสียดายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัน่นี้ได้ผลประโยชน์อะไรก็เรื่องที่เลสทำงานบนหัวใจมันจะเอาผลความดีงามสุขสบายให้เราที่ไหนมันก็มีแต่สร้างโกงจับเผาหัวใจเราสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจเราสร้างโกงจับขันหัวใจเราตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีสิ้นสุขต้องฟัดต้องอย่างกันเพื่อหัก โกงกรรมวัฏจักรด้วยอำนาจเบื้องต้นมีคำบริกรรมต้องห้ามันอย่างหนักนะ <c oughs> เอาพุโทโธเท่านั้นนะไม่ต้องไปมุ่งอะไรนะแล้วบริกรรมคำไหนก็ตามตามเจดีย์นิสัยที่ชอบแต่นี่ผมบอกออกมาคำว่าพุทโธเป็นจุดจุนกลางต่างส่วนที่เหมาะสมกับเจดียนิสัยนิสัยของผู้บำเพ็ญในธรรมบทใดให้ยึดทําบทนั้นเป็นหลักมีสติจับอยู่จุดนั้น <c oughs> อย่าปล่อยอย่าวางทีย่ยาอาการที่เคลื่อนไหวไปมาคําบริ ก, รกับจิตกับสตินั้นให้ทำมาตลอดเวลานี่ชื่อว่าพูดทำความเพียรจะได้รับความสงบในวันหนึ่งแน่นอนไม่สงสัยขอจะอย่าถอยกปแล้วกันนี่ลหละการตั้งรากฐานเมืองต้นตั้งยากนะตั้งยากเหล่านี้ผมได้ทำมาแล้วนะไม่ใช่มา สอนหมู่เพื่อนแบบงูปลาป่านะทำมาแล้วแบบจริงจังอย่างที่ว่านี้ด้วยนะอย่างที่เคยพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมมาเป็นปีกว่านั้นเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริญหาพามก่องทุกแบกกองทุกนี้ไม่แห่ไม่มีกองทุกใดที่จะมากยิ่งกว่ากองทุกของจิตที่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อม ซึ่งปลากรดก่อหัวใจของเราจงกระทั่งถึงความเฉิดหลับเลยถึงขั้นที่ว่าจิตพอได้หลับขึ้นมาเป็นความสงบแล้วต้องเอาตายเข้าว่าคราวนี้จิตจะสวงไปไมาได้ถ้าจิตเสื่อมคราวนี้เราต้องตายจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสือมันอาจเป็นได้นะสําหรับนิสัยของผมนี่มันเด็ดขาดจริงๆเราก็เทียบเอาพระโคติการ์ดนั่นแหละมาเป็นตัวอย่าง ท่านฆ่าตัวเอนตายนะเพราะจิตท่านเสืมในครั้งนั้นท่านบอกว่าชาญเสือเส่อมชาญเสื่มเพราะคือสมาธินั่นแหละเสื่อมชาณาแปลว่าความเพ่งความเล็งอยู่จุดเดียวคือจุดแห่งความสงบนั้นมันเสริมไป <c oughs> ทีนี้ไม่มีจุดไหนที่จะจับจะคล้องจะแวะจะอาศัยพึ่งพิงได้ทีนี้ก็มีแต่ความว้าวิ่งเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบของชานนั้นโดยชาายเดียว โดยไม่มีสิ่งตอบแทนคือสมหวังสมหวังว่าเป็นความสงบตามความมุ่งหวังแล้วอย่างนี้ไม่มีนั่นละกองทุกข์เกิดขึ้นใน่างนั้น <c oughs> ท่านแสดงว่ามีถึงห้าครั้งหกครั้งนะ <c oughs> <c oughs> พอครั้งสุดท้ายท่านก็เอานี่โกนมาฉวนขอเลยในอันนี้ในตะำราพูดไว้ไม่ชัดชัดเจนนะ <c oughs> แต่เราก็เข้าใจ เวลามาปฏิบัติแล้วเข้าใจเวลาอ่านตําราไม่ค่อยเข้าใจลักษณะเป็นมัวๆอยู่มันพูดถึงเรื่องพระโคนิกัดในภาคปฏิบัติของเรามันก็จับกันได้ทันทีถึงก็อาจที่ว่าเอามีดโกนมาเฉืนคอแล้วเลือดทะลักออกมาเกิดความิ้พิจารณาท่านมีปัญญาแสงท่านอยู่แล้วเลยออั้นเป็นอารมณ์แห่งทำพิจารณานั้นตรัสรู้ขึ้นมาในเวลานั้นไปได้เลย ที่ว่าพญามารมาคุยเคียขุดค้นหาจิตวิญญาณของท่านเ น, นี่ยเพราะพญามารมันไม่พอกับความโลภมันครอบหัวใจสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมือของมันมันเป็นนายใหญ่เรียกกับพญามารที่นี่จิตพระโคตริกัดหลุดพ้นจากอํานาจของมันไปมันจึงต้องคุยเขียขุดค้นอย่างสุดเหี่ยงเลยปรากฏในนําตําราว่าความมืดมัว ของดินฝ้าอากาศมืดไปหมดพอ่อฤทิ์ของพญามารคุ้ยเขี่ยขุดค้นหากิจตัววิญญาณของพระโคติกัดเพียงดวงเดียวเท่านั้นถึงพระพุทธเจ้าได้มาประหลาดปราบป ร, ปรมามออกว่าพระโคติกัดเธอจะมาคุยเขี่ยขุดค้นหากิจตัววิญญาณของพระโคติกัดซึ่งเป็นลูกของเราแต่โคตรนั้นเธอไม่มีหวังจะพบแล้วเพราะพระโคติกัดของเราได้หลุดพ้นจาก อำนาจของเธอถึงขั้นอาหัตตภูมินิพานไปเรียบร้อยแล้วนั่นนี่แหละพญามานมันโลภขนาดไหนสัตว์อยู่ในแดนโลกชาตินี่มันครอบอำนาจไว้หมดเพียงกิตวิญญาณของพระโคจิกัดดวงเดียวทําไมมันไม่ปล่อยมือมันยังตามขุดค้นเอามาไว้ในอำนาจของมันจนได้นี่แหละกิเลสมันพอที่ไหนทีนี้ความคิดความปรุงของใจเราซึ่งเป็นพญามานอันหนึ่ง มันบีบบังคับอยู่หัวใจของเรามันเป็นเจ้าอํานาจเที่ยวกับพยามานันกิเลสสัมมันมันครอบอยู่ ใ, ใจมันลากมันเฉ็นให้คิดให้ตุงไปตามแนวแถวของมันจนได้จนได้ดึงเข้ามาสวดสุธรรมมันไม่ยอมมานะ่ะมันเสียดายความคิดความตุงหามาเป็นเป็นการระบายออกแห่งความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกทรมานจิตใจเป็นความทุกข์ในขั้นเริ่มแรกแล้วการปล่อยตามเรื่องเนี้ มันรู้สิว่ามันขี่คายเราถ้าขี่คายไปเพื่อจะ ม, มัดหัวเราด้วยอํานาจของเจเละหลอกบวงนั่นเองแต่มันไม่รู้นะเนี่ยจึงต้องในใช้บทหนักในขั้นนี้ทุกคนเอาให้จริงนะนี่แหละการทรงมรรคทรงผลจะทรงในจุดนี้เป็นแน่นอนนี <c> ่ <oughs> ผมได้พูดมาเป็นตัวอย่างแต่ท่านทั้งหลายผมตั้งได้จุดนี้อ่ะถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่ยอมปล่อยวาง คำว่าเสื่อมคำว่าจเจริญที่เลยเคยพัวพันกันมาสร้างของทุกข์ขึ้นมาพร้อมในขณะเดียวกันบนหัวใจเหล่านี้มันไม่ไม่มีวันลืมได้เลยมันฝังลึกมากความทุกข์แสนสาหัสที่จิดเสื่อมลงไปนี่มีแต่อยากได้อยากเป็นขึ้นมามันก็ได้แต่ลงมแรงเพราะฐานที่จะให้เกิดความสุขความเจริ เย็น ใ, ใจที่จะได้ความสงบนั้นกลับมาเราวางไม่ถูกเราบำเพ็ญไม่ถูกมีแต่ความหวังความอยากเฉ้เฉยจึงต้องได้ตัดสิ่งเล่า น, นั้นออกเสื่อมก็ตามจเจริญก็ตามมันจะไปไหนเราก็เคยคว้าน้ําเหลวกับมันมาพอแล้วคราวนี้จะไม่ควา้าเราจะคว้าแต่พุทโธโดยความลําพึงในใจว่าจิตใจของเรานี้อาจจะเถอไปเพราะไม่มีคํามือกรรมก็ได้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 แล้แก่พุโทโธพุธโทโธคือใจเรามันเป็นอย่างอย่นั้นจริงนะมันไม่เลอะแหล่นะเพราะว่าตั้งหลักลงกับคำอาพุทโธโรปรงใจกับคํำอาพุโทโธทีนี้พุโทโธตั้งแต่ขนาดนั้นไม่ให้เผอเลยนะไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวมาทั้งวันไม่อยอมให้เผยเลยในระยะที่ตั้งติดขึ้นมาใหม่เนี่ผมอยู่คนเดียวซะด้วยนะพ่อแม่หูจารย์ไปเผาศพย่องปู่เสา <c oughs> ผมอยู่คนเดียว <c oughs> บ้านนาชิหนวนวัดร้างเขา <c oughs> งานยิ่งสนุกทาความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งพุทโธพุทโธตลอดจนกระทั่งได้รู้ชัดในคบวิกรรมพุทโธพุทโธนี้เวลาจิตละเอียดเขาไปจริงแล้วคบวิกรรมหายหมดนะเนี่ยก็ออกมาพูดได้ที่มันเป็นกระหัวใจเจ้าของเอง <c oughs> บริกรรมพุทโธพุทโธอย่งังละเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วเนื้อคบวิกรรมไม่มีเลยไม่ออก เหลือแต่ความรู้ล้วนๆก็เกิดงงในตัวเองเอะที่นี่ทำไม <c oughs> แต่ก่อนล้วก็อาศัยคำิกรรมยึดไว้กับสติอยู่ด้วยกันทีนี้คริกรรมนี้กำหนดอะไรก็ไม่ปรากฏกำหนดพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วจะทำไงเอาไม่ปรากฏก็ให้อยู่กับความรู้นี้นั่นตั้งสติไว้กับความรู้นี้นั่นเอาอยู่นั้นนะอะ่ไม่ปล่อยตรงนี้เอาเวลาขาัดไม่ตรงนั้นไม่มี พุทโธนี่ให้อยู่กับความรู้นี่ที่ว่ามันกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วบริกรรมไม่ออกไม่มีให้อยู่กับหนีคอยสังเกต ด, ด้วยสติไม่ให้เผลอนี่พอถึงการเวลาแล้วมันก็ขี้คลายออกมาพอคี้คลายออมาก็บริกรรมได้บริกรรมติดเข้าไปอีกเลยถึงต่อมามันก็รู้วิธีการอ๋อเวลามันจิตนี่ละเอียดจริงๆแล้วคําว่าบริกรรมมีหายหมดหนานรู้ชัดนะ แเราก็ทราบรู้วิธีปฏิบตัติเอามันหายก็อยู่กับความรู้เสียเนี่ยเมื่อรู้แล้วให้อยู่กับนั้นพอมันที่คลายมากก็คําบริกรรมก็กติเข้าไปสันทีสติติดแนบตลอดเวลาทั้งที่บริกรรมได้และไม่ได้สติขาดไม่ได้งา <c oughs> น, นหลักที่นี่มันก็ตั้งหลักได้ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความวุ่นวายเหล่านั้นมันไม่ยุ่งแล้วแหละ เพราะอำนาจแหงความบีบบังคับกีบไม่ให้คิดกับสิ่งใดนอกจากคำบุญกรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่มันบีบบังคับขีดเส้นตายให้กันเลยนะนี่สายเรามันจริงจังมากเราพูดจริงๆรนะเราไม่หลอดเลยนะทำอะไรจริงจังทุกอย่างว่าอะไรเป็นนันนั้นเลยขาดสะบั้นไปเลยนะ <c oughs> นี่ก็ตั้งนะขันต่อมามันก็แน่นหนามันคงขึ้นเลยเลยพอถึงขั้นมัน ควรจะเสื่อมมันจเจริญขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้วสองสามวันมันเสื่อมเอาเสื่องก็เสื่อมไปนั่นไม่เป็นกังวลกับมันเพราะเคยหวังแล้วมันไม่ไม่เป็นประโยชน์เอาจ ะ, จะเจริญก็จเจริญไปแต่คําว่าพุโทโธจะไม่ป่อยอันนี้จับติดเลยเจ้าความเสื่อมความจเจริญไม่มาถือเป็นอารมณ์เพราะเคยถือพอแล้วสร้างความสุขให้เรามากมาพอแล้วเราจะเอากับพุโทโธเพราะัน แ, แน่นหนา ม, มั่นคงเข้าไปเรื่อยเรื่อย นั่นพอถึงขั้นจเจริญซึ่งฝนจะเสื่อมตามธรรมดาอยู่ได้สองสามวันแล้วมันก็เสื่อมเนี่ต่อหน้าต่อตาเราไม่มีอะไรเหลือเลยนะเหลือแต่ตัวหมดคุณค่าหมดราคาหมดหวังสร้างความทุกขึ้นตัวเองขึ้นที่นั้น น, นที่นี่พอมันถึงขั้นที่มันจเจริญแล้วมันจะเสื่อมเอาป่อยแต่คบุิกรรมไม่ยอมปล่อยสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมนั่น แน่วแน่เขาไปเรื่อยละเอียดเขาไปเรื่อยเรื่อยค่อยจับจับจุดได้อ๋อนี่มันเสื่อมเพราะขาดคำบุญกรรมไงเสื่อมเพราะเห็นนี้เองไงที่มันไม่เสื่อมจากนั่นกันหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจกระทั่งฟาดจนเต็มเหนี่ยวได้กําลังเป็นสมาธิขึ้นมาปั้นอาใจอย่างเด่นอยู่ที่ไหนก็เด่นด้วยความรู้สติติดอยู่กับความรู้ถึงไม่บริกรรมก็ให้ติดอยู่นั่นที่นี่ เอาเอาเอาความรู้เป็นจุดแห่งการความบริกรรมแต่ไม่บริกรรมนะเป็นเป็นจุดแห่งสติตคือจับไว้จุดนั้นจุดนั้นก็เจริญเรื่อเรื่อยๆึ้ไปนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกเบื้องต้น <c oughs> มันหนักจริงๆนะจิตจิตใจเรานี่เป็นไฟทั้งกองนะเวลานี้ถ้าไม่มีสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจเข้าไปแทบบางแล้วหาที่ตรงที่วางมาได้นะพระเรานะ ใครจะชื่อว่าพระนี่เลยเทบุตรเทวดาไปได้แต่นรกอเวจีมันก็เผา พ, าพระอยู่ทั้งทๆ ท, ที่ว่าเป็นเทบุตรเทวดานั่นแหละพราะกิเลสไมไ่กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมตอนนั้นถ้าสติทำจับบังคับเขาไปแล้วมันจะยอมให้พากันตั้งใจจุดนี้เป็นจุดสาคัญให้ตั้งหลักรากฐานไว้การพูดเหล่านี้ผมไม่สงสัยในการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนนะได้ทำมาแล้วเห็นผลประจักษ์มาเดืระดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ขึ้นมาจาก ก็ไก่ก็กาที่ว่าพุดโผพุโสนั่นแหละ <c oughs> ไม่ป่อยพอจิตมีความสงบแล้วที่มีความยุ่งเหียิงวุ่นวายซึ่งเคยก่อขวนและฉุดรากเราออกไปออกไปมันก็เบาไปเบาไปดื่มสมรรถธรรมเป็นโอชารสของใจก็สบายสบายสบายนี่มีทางเดินแล้วถึงเรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันเคยถักดันออกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสที่ไม่กีด ป, ประเพณี เผาหัวใจนั้นมันก็จางไปอย่างไรสุดท้ายมันไม่สนใจอ่าความสงบนี่มีกําลังมากขึ้น อ, อยู่กับความสงบมีความสบายไม่มีไว้กวนใจความคิดตุ้งแย็บหนึ่งขึ้นมานี้เป็นการกวนใจแล้วนั่นพอถึงขั้นสงบเต็มภูมิของตัวเองแล้วความคิดตุ้งนี้เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นไม่อยากคิดนี่แหละที่ว่าติดสมาธินะ่ะคือคิดแย็บอกมานี่ มันกวนใจแล้วควรใจแล้วคิดอยู่ในความรู้ดิ่งแน่วตลอดกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ตามมันไม่ได้สนใจกับเมื่อกับแท้งอะไรน ะ, ะมีจะอยู่เพลินอยู่ในนั้นในความรู้ที่สงบตัวแน่วตลอดเวลานะไม่มีอะไรเข้ามากวนนี่เรียกว่าอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารเพียงขนาดนี้ก็พออยู่พอกินแล้ว เพราะฉะนั้นผู้อมเพลิงสมาธิจึงเพลินในความเพี่ยนทางด้านสมาธิไม่จะออกจิตคิ ด, ค, ด, ค, ดค้นด้วยปัญญาก็นอนจมอยู่นั้นได้อย่างที่ผมเคยนอนจมมาตั้งห้าปีมีพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกผมไมไ่ลืมเลยนะมันจึงได้ออกพอออกนี่คือเก้าถึงขั้นปัญญานีทนที่หมุนทีติ้วเพราะมันพร้อมแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาพร้อมแล้วแต่ไม่นํามาใช้เป็นปัญญามันก็ไม่เป็ น, นพอออกมาใช้เป็นปัญญา ตามที่ท่านฉุดลากออกไปแล้วนั้นก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลเข้าไปอ๋ อ, ป อ, นะออ๋อไปเรื่อยละเพรอ๋อเรื่อนี้ก็ค่อยเริ่มเลยนะพอเห็นผลแล้วเรื่องความภาคเพียงความสนใจต่อความเพียรทางด้านปัญญานี้มันจะหมุนตัวเข้ามาเองมาเองจากนั้นก็เพลินทางด้านปัญญาเลยลืมพักสมาธิไปดีไม่ดีมันก็หาว่าสมาธินอนตายเฉยไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหาข้ากิเลส สมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสเพียงตีเจสกระร่ำเข้ามาเพื่อความสงบไม่กวนใจเพียงเท่านั้นนั่นแต่การฆ่ากิเลสนี้ฆ่าด้วยปัญญามันจะเห็นผลของการฆ่ากิเลสด้วยปัญญาแล้วเพลินกับการฆ่ากิเลสลืมพักสมาธิไปเสียนี่มันไม่พอดีนะสําหรับนิสัยผมมันผ่าผลจริง <c> ๆ <oughs> นี่ก็ถู ก, ถ ก, ถกท่านล้างเอาไวอ้อ่อเกี่ยวกับเรื่อง เดินปัญญาเกินเกินเหตุเกินผลท่านก็ล้างเอาไว้เนี่ยท่านอะมันหลงสังขาร น, นั่นแ่ะสังขารที่ไม่รู้จักประมาณนั้นมันเป็นสมุทัยได้ก็หมายว่าอย่างนั้นนะสังขารเป็นปัญญานี่แหละแต่เมื่อใช้ไม่รู้จักประมาณสมุทัยมันแทรกกัาไม่สังขาร น, น, น, น, นั้นกลายเป็นสังขารสมุทยัยไม่รู้เนื้อรูัวไปเสียท่านจึงให้ล้างเอาไว้เข้าสู่สมาธิพอจิตสงบพอสมควรแล้วออกกลางนั้นปัญญาเอาหมุนเลย พอจิตเนหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่ามีกําลังบางชาอ่อนลงแล้วให้เข้าพักสมาธิน น, นี่เป็นความพอเหมาะพอดีกับผู้บําเพ็ญเหมาะสมมากทางประหยัดท่านก็แสดงไว้แต่เราไม่ค่อยได้ไปสนใจอะไรกับประหยัดมันหมุนตัวของมันด้วยความดูดดื่มนั่นแหละเลวลามันจะตายจริงมันก็เข้าพักสมาธินี่การบําเพ็ญจิตใจเมืองต้นยากนะเอาให้จริงให้จริงยาเรอแหละนะ <c oughs> เนีย่ยเห็นงานใดเลิอดเลยงานโลกสงสารงานวัตวน ง, งานไฟเผาใจต่างหายาดียาดีกับพวกอยู่กงจักให้มันเผาตลอเวลาทั่วแดนโลกธาตุนี้จะพวกอยู่ใต้กงจักหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาทำนี้เป็นมิวัตจักให้อาศัยทำนี้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยความภาคเพียรหนักเบาสู้ตลอดสู้เพื่อความสุขทุกข์ เด้วยความเพียรนี่เป็นทุกข์เพื่อความสุขทุกข์ด้วยน้าของกิเลสทุกข์เพื่อมหันตาทุกข์เอามาแยกมาแยกกันแล้วมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองพาในใจ <c oughs> จากนั้นพอปัญญาก้าวขึ้นแล้วที่นี่มันจะเบิกกว้างนะไม่ได้เหมือนสมาธินะสมาธินี้เหมือนน้าเต็มแก้วเต็มภูมิแล้วก็เหมือนน้าเต็มแก้วจะให้ทํายิ่งกว่านั้นไปอีกไม่มีชุดฉีดอยู่ทางัเราเป็นแล้วทํายังไงมันก็ ลงแนวอยู่จุดเดียวจุดเดีย ว, ดดยวสุดท้ายก็ว่าความรู้อันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยเหมานิพพานว่าเป็นความรู้โง่โง่หมูความรู้หมูคนเสียงด้วยสมาธินิเสีย้ยหนึ่งพ่อแม่ของจะมาล่าออมันจึงออกทางด้านปัญญาพอทางด้านปัญญามันพี่กายเห็นชัดเจนตรงไหนมันปล่อยมันปล่อยของมันออ๋อค่าที่ค่าอย่างนี้แล้วก็เพินเรื่อยเรื่อย เพลินทางด้านปัญญานี่ยเพลินด้วยความพ้นทุกข์เพลินด้วยความเห็นภัยจริงๆเพลินอย่างนี้นั่นรู้แล้วนะหมุนกิ่วกิ่ความเพียรจึงไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีอียาบทนอนอยู่มันก็ไม่หลับมันทํางานของมันด้วยสติปัญญาจึง ม, มุ่งมันต้องบังคับเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพื่อสมาธิได้พักตัว พอสง่ขขวนแล้วถอยออกมาแล้วก้าวเดินด้วยปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิเวลาก้าวปัญญาไม่ต้องเป็นห่วงสมาธิเอาเต็มเหนี่ยวพอปัญญาเน็ดเหนื่อยเมื่อลรแล้วเข้าพักสมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาให้ถํต่างทางานว่ า, า, วาต่างวาระกันเวลาเข้าสมาธิอย่าประยุ่งกับเรื่องการคิดอัานแต่ฟองทางด้านปัญญาต่อยให้หมดจิตจะสงบได้มากน้อยเพียงไรเอาให้สงบ น, น่น งานต่างวาระต่างที่พอสงบมากเข้ามากเข้าจิตจะมีกําลังบางชาเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเบาสบายมัดเลยเนี่ยอํานาจของการพักในสมาธิควรแจกการแจก ง, งานทั้งหลายทางด้านปัญญา <c oughs> จากนั้นก็ก้าวท้นปัญญาไม่จะห่วงสมาธิเหมือนกันให้ดําเนิอนอย่างนี้เป็นอันถูกต้องไม่สงสัยปัญญาจะออก ออกเรืยกว้างขวางออกเรื่อยละเอียดละอเข้าไปเรื่อยเพราะกิเลสก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยสติปัญญาซึ่งเป็นคู่แข่งกันคู่ปรับมันมันก็หมุนตัวมันไปเองเรื่อยเรื่อยเวลาผ่านพ้นดวงจันทร์นี้ผ่านผลนมากนะเรื่องกิเลสกามกิเลสกามกมตัญหาญนี่อันนี้ผ่านผลนมากีเดียว ให้ความพิพจารณาร่างกายออกทางด้านปัญญาให้พิจารณาร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วแต่ความถนัดดูดดื่มในอาการใดของร่างกายนี้เช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้ผูง้งภายในนี้เป็นอริยสัตว์ตัวที่เราสมุดไทยมันมัดมันสังไว้ทั้งนั้นแล้วพิจารณาขี้ไคลนี้ออกไปด้วยมรคสัตว์คือปัญญานั่น เมื่อคลี่คลายไปแล้วมันเห็นแล้วมันก็จะถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามาอุปทานมามาถอยเข้ามานี่เรียกว่าปัญญาข่าที่เห็นพระจักกับใจจากนั้นก็ก้าวออกละเอียดละ อ, อ่อน ถ, ถ้าถึงขั้นสติปัญญาถนงมันแล้วยังไงความพ้นทุกข์นี่มันแน่วแน่แน่วแน่ประหนึ่งว่านิ่พานนียเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละความเพียรมันถึงขั้นเลยถึงได้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 การทักผลก็เป็นอย่างนี้ผลของงานก็เป็นอย่างนั้นมันก็รู้กัน อ, อยู่เรนี้ถึงวาลาที่ชวนจะทําก็ให้ทํางนั้นแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเห็นไม่ต้องไปหาดู ต, ตำตําล่าพูดแล้วสาธุนะเราก็เรียนมาแล้วตําลาแต่เวลาตําลาความจํากับกลาความจรงิงมันฟัดเบี่ยงกันนี้โอ้ยความปัญญาความจําผิวเผินว่างั้นเลยนะ ปัญญาความจริงนี้เอาตัวจริงออกมาคลี้ขายออกมาพิจารณาออกมาถอดมาถอนมาฆ่ามาฝันเห็นประจักษ์กับใจแต่ความจําที่เราเรียนนั้นมันไม่จะจำไม่เฉยมันไม่ได้ถอดถอนกิเลส น, นะเรียนจบพระไกายพิเดกมันก็ไม่ได้ถอดถอนกิเลสถ้าไม่นําการศึกษาเราเรียนออกมาเป็นภาคปฏิบัติเพื่อสอนกิเลสแล้วยังไงก็ไม่สอนเนี่ยมันก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของเรานี่เรื่องปริยัติเลยผิวเผินไปหมดนะ อออยู่ผิวผิวผลเผยน่องนอกโน้ น, นแล้วเป็นเอกเทศเอกเทศไม่ได้กว้างขวางอะไรนะออปริญัติหน่อยท่านว่าพระไกรพิจิตรเลยท่านเอาตะส่วนสําคัญมาตอนนั้นไม่ได้กว้างขวางนะออแล้วว่าพระไกรพิจิตกมือหนึ่งว่าครอบโลกธานุไม่ได้ครอบถ้าเป็นภาคปฏิบัติจับเข้าไปแล้วกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่ากันโจนคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยออกจากภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วปฏิบัติมารู้ความจริงอย่างนี้นั่น เพราะฉะนั้นความจํากับความจริงจึงต่างกันมากนะภาพความจําเรี่ยมไปที่ไหนก็มีจะจําความสงสัยคืบผ่านไปตามไม่มีรสละตัวเองเปลงกิเลสประจําๆกันหมดจนมาะทั่งถึงไม่ผ่านมันก็สงสัยนี่ผ่านนั่นนี่แหละเรื่องของความจําไม่ได้ถอดถอนกิเลสตัวใดนะพอความจริงเจอเข้าไปที่ไหนว่ามันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างนี้นานนั่นเห็นอย่างนั้นนะความสงบเป็นขั้นขั้น ค่อยแล่ยื่อเข้าไปนี่ออกไปมันก็เห็นชัดประจักบตัวด้วยความจริงความจริงหายสงสัยเป็นระดับอจนมาะทั่งถึงสมาธิเต็มผูมมันก็รู้อยว่าเต็มผูมแต่มันไม่รู้ว่าควรแกการบําเพ็ญอย่างไรต่อไปอีกนั่นมันก็ติดสมาธิได้ผู้ที่สังรุ่เหนือเราไปแล้วท่านลากออกอย่างพ่อแม่หุ่นจานท์มันเล่านั่นท่านเหนือเราแล้วก็ก้าวตามท่านมันกผนไไ็ผ่านไปได้ผ่านไปได้พอออกถึงด้านปัญญา รู้โทษรู้ขุนด้วยปัญญาแล้วที่นี่ก้าเลยลเรียกว่าภาวนามยปัญญา <c oughs> แต่ก่อนเรียนในปริยัติท่านบอกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนา ล, ล้วนๆเราก็งงเราไม่รู้เรื่องรู้เลอา <c oughs> ทั้งๆ ท, ที่เราภาวนาอยู่แต่ปัญญ า, าประเภทนี้มันก็ไม่เคยเกิด <c oughs> เวลาเรียนหนังสืออยู่เราปฏิบัติตลอดนะ <c oughs> ผมไม่เคยรู้ละนาะ <c oughs> นะการภาวนาแต่มันไม่เคยเกิดปัญญาประเภทนี้ขึ้นมา <c oughs> นั่นก็คล่ององ ง, องพอถึงขั้นปัญญาประเภทนี้เกิดขึ้นมาอ๋อนั่นเห็นไหมละ่ะภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไม่ต้องอาศัยอะไรสิ่งมาสัมผัสสัมพันธ์ใช้รูปเสียงกลิ่นโน้เครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์แล้วจึงจะกระตุ้นจิตใจให้เกิดสติปัญญาที่ด่านใจตรองหลังนั้นก็ตามมีมากระทบกระเถือนก็ตามมันจะไปสนสติปัญญาของมันเป็นเรื่อยๆยเรื่อยนั่นเรียวกว่าภาวนาไมายปัญญา เป็น ป, ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภารวนาล้วนจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็าตามไม่สัมผัสสัมพันธ์ก็ตามสติปัญญาจะสร้างตัวเองต่อสู้กับที่เป็นระเบียบลำดาภายในตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปหาอาศัยว่าต้องได้ดูสิ่งนั้นก่อนแล้วมาพิจารณาได้ฟังสิ่งนี้ก่อนแล้ววิจาไม่จําเป็นนั่นมันหนักพอตัวของมันเองพอสิ่งอะไรมาสัมผัสมันก็ออกมาเทียบทันทันที ไม่สัมผัสมันก็คิดค้นหาเรื่องราวเพราะกิเลสอยู่ภายในใจเมื่อกิเลสรวมตัวเข้ามาแล้วมันก็รู้เห็นเป็นลําดับลำยานี่เรียกาวารณามรยปัญญามันชัดขนาดนั้นนะมันจึงกล้าพูดได้เงี้เรียนจดจำมามั่งน้อยมันไม่ได้กล้าพูดนะมันงงมงูปลาปลาไปงั้นเพราะมันรู้ขึ้นมาภายในใจแล้วมันหายสงสัยหายสงสัยกล้าหาญฉันใส มาชงประถามไข่ถามไข่ประจักประจักประจักนั่นเรียกว่าความจริงยิ่งเก้าขินมหาสีมหาปัญญามันเชื่อมโยงกันนะภาวนามยปัญญากับมหาสีมหาปัญญานี้พอภาวนามยปัญญาคล้องตัวเข้าไปมันก็เชื่อมโยงกับมหาสีมหาปัญญาตอนนั้นเป็นขั้นสืบทราบแล้ว <c oughs> มหาสีมหาปัญญานี้เป็นขั้นสืบทราบของกติปัญญาสืบทราบเรื่อย ยะเอียดไปเลยกิเลสก็ละเอียดอ่สัจมหาสีมหาปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟเผากิเลสมันก็เผามันไปเรื่อยๆนั่นเอาจนกระทั่งไม่มีทางไปไล่กันเข้าไปไล่เข้าไปกิ่งก้านสาขาดอกใบทางเดินของกิเลสนับแต่ตาหูจมูกลิ้นกายอเป็นทางเดินเพื่อรูปเสียงดินลดเครื่องสัมปัตตมันก็ตามต้อนเข้ามาตามต้อนเข้ามา เริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาอสุภะอสุผังทุกขังนี้จังอาณาตาในรูปเขารูปรางรูปหญิงรูปชายรูปสัตว์บูคนด้วยการพิจารณาเป็นอสุภะอสุผังเป็ น, นจังทุกข์ขังาตาตีต้านเข้ามาเมื่อมันรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาพอตาหูจมูกลี้ยงกายเป็นทางเดินหากินของกิเลสอวิชชานี้พอสติบัญญาตีต้อนเข้ามารู้เท่าทันเบื้องกับแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามา ไปถือเขาอะไรว่าถือว่าเป็นสัตว์มงคลมันสัตว์ที่ตรงไหนพิจารณาดูมีแต่ร่างกระดูกนั่นมันเป็นสัตว์มงคลที่ไหนมันสวยงามที่ไหนมีแต่มูดจะคู่เต็มเมื่อเต็มตัวมันสวยงามที่ไหนเนี่ยสติปัญญาแก้กันไปในอย่างนี้จากนั้นมันก็พอขั้นกางมรริเหล่นี้ผ่านไปได้ด้วยการสลัดตัดขาดกันลงไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมนีม้จะก้าวเดินทางอ น, นิจจังทุกขังจัตทะถนัดขึ้นไปเลยนะ เมื้องต้นจะขึ้นอันนี้สุภะสุฟังก่อนอันนี้จังกทุกขังหน้าตาแทบเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ที่หนักแน่นที่สุดได้แจ่สุภะสุฟังแก้ความเป็นสุภะสุฟังมันจนขาดกระจายลงไปแล้วจากนั้นก่อเป็นนามธรรมา <c oughs> นั้นก็มีแต่เรื่องอันนี้จังทุกของอนาา้าตาคําว่าสุภาสุฟังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายร่างกายหมดความหมายไปแล้วพิจรารณาสุภาหาอะไร น, นมันอิม่มมันก็รู้นี่นะ่ะมันต่อยมันไม่เอา มันก็ลดจะลามมาทำเวชนะสัญญาสังขารมิญญาณออกมาจากไหนนั่นแหละไล่เข้าไปเวชนาออกมาจากไหนคนตายมีเวชนาไหมหเวชนามันอยู่กับคนเป็นคนเป็นมันก็จากจิตและสิเนี่ยไล่เข้าไปก็ไปอยู่ต้นต่อ น, นั้นเสียเวชนะสัญญาสังขารมิญาณออกจากนั้นออกจากนั้นมันไล่ต้อนกันอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายมันก็ขยับเข้าไปถึง ต, นตน้นต่อนั้นคืออมิชฌาแปลงสถานที่เกิดสถานที่หลงของสิ่งเหล่านี้ สิ่ง น, นี้เป็นเพียงเครื่องมือนะพวกรูปเวชนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญารเป็นทางก้าวเดินของวิชาเป็นเครื่องมือหาจริงของวิชาเมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะต้อนกันเข้าไปถึงตัววิชาสิ่ง น, นี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือเป็นทางเดินไม่ใช่กิเลสไม่ใช่อวิชาอืตัววิชาจริงไม่ใช่สิ่งห น, นี้นั่นมันก็ชัดหรอเพราะว่าทั่งเข้าถึงนั้นแล้วพั <c oughs> งลงแต่กระจายลงไป ความมืดหมัวหรือความสว่าง ก, การแจ้งแจ้งที่มีอยู่ในจิตขนาดไหนขนาดไหนมเมื่อกิเลสยังคลองอยู่แล้วยังหาความสว่างเต็มตัวไม่ได้นะ <c cryptocurrency> มันจะต้องมีมือมี ม, มัวมีหมองอยู่ประจานั่นแหละความมัวหมองคือกิเลสมันปุกปิดบังหุ้มหอดจิตดวงที่รู้จริงๆนั้นไวไม่ให้รู้เต็มสัดเต็มส่วนอันนี้พอสิ่งเหล่นี้ถูกพิจารณาเข้าไปเข้าไป โจงกระทั่งถึงตัววิชาที่มันหุ้มห่ออย่างละเอียดสุขุมพังกระจายไปแล้วปิดมันจ้าขึ้นมานั่นแหละเป็นห่วงว่าฟ้าดินถล่มเหนียววิชาพลาดจากใจแต่นี่ความรู้นี้ออกเต็มเหนี่ยวเลยเพราะว่ามีอะไรปิดบังลี้ลับคำว่ามัวมัวเมียเมียไม่เหม่คำมัวมัวเมียมีแต่เรื่องของเดสเนั้นพอที่เลสเปิดตัวไปหมดแล้วไม่มีอะไรมาปิดบังมันก็หาความมืดมัวว่าจากไหน นี่ละอาโลโกุฎป่าดีสว่างเจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปถามไข่แม่พี่ฝุดสาธุวางอันเลยนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็าไม่ชวนถามเป็นธรรมเดียวกันสารที่โกรประกาศต้องโทษโลกธานอยู่แล้วให้รู้เอง่เองท่านสอนเพื่อให้รู้เองแล้วรู้เองหรือจะกลับมาถามท่านหาอะไรถ้ า, างั้นสารทีโกก็ไม่มีความหมายอะไรสิพอไปถึงแล้วอ๋อนั่นอ๋ อ, อ ท, ทันทีนี่แหละพอมันถึงขั้นนี้แล้ว เข้าถึงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมธาตุทั้งหมดกวา้างขวางขนาดไหนน้ำมหาสมุทรเรือหลวงที่เป็นที่รับของแม่น้ํำสายต่างาที่ไหลหลวมลงไปกลายเป็นมหาสมทุทรขึ้นมากว้างขวางขนาดไหนชั้นใดจิตใจของท่านพูดก้าเข้าสู่ความบริสุทธิ์จากสายทางแห่งการบําเพ็ญของตนของต น, นมาถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุขึ้นมาเป็นระียวกันแล้วนะั่น พระพุเจ้ามีมากน้อยนะถามหาอะไรอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปกี่ปีเดือนไม่มีไม่ใช่แต่ธรรมธาตุเหมือนกบน้ำมหาสมุทรเต็มช่องเออแผน่นดินนี่นะเห็นไหมละ่ะมหาสมุทรใครก็รู้อย่ว่าเป็นยังไงนี่ธรรมธาตุก็อย่างเดียวกันรวมยิงผู้บริสุทิ์ไหลเข้าสู่ธรรมธาตุและเป็นอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องฝูนถามพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งชัดเจนเลยพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไห น, น ออดีตอนาคตคือวันนี้ผ่านมากี่ครั้งกีว่วันไม่มีความหมายมารวมอยู่ในธรรมธานุนี้หมดเลยพาระอรหันตุทุกทุกองพระวจเจ้าพุทธุพงศ์พระพุทธเจ้าพุทธุงศ์อยู่เป็นธรรมธานตุกันหมดท่านมัน่งรู้ชัดอย่างนี้นถึงนี่แหละคำว่าปฏิบัติท่านเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้เึื่องมาจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังลีลบที่จะสร้างอุปสรรคให้ใจใจไม่มีเมื่อที่ตัวสร้างอุปสรรคหมด สิ้นไปแล้วไม่มีอะไรมาสร้างบริสัทโลกตลอเวลาดังที่ท่านแสดงไว้ในเอเจอบโมฆราชนะ่ะสุญญตโตโลกังเวกัสุโมคร า, าชาสดาสโตอตาจาย์ทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโรชิยาเอวัโลกังเวกขันตังมัจจุราชานปะปัสสติดูกรโมฆราชเธอจึงพื้น ผ, ผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อนั่นนะเห็นไหมสดาสโตนะ่ อืมีสติทุกเมื่อนพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าอถอนอัตตานุติที่เป็นความสําคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาเสียได้งั่นอัตตาที่งอุหจานแล้วข้ามพ้นพญามาจุลาศไปเสียพญามาจุลาศมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นั่น มาอูราชาณปศรีนี่หละแปเต็มสัพหาที่ค้านอะไรเล ย, เลยนั่นหละมันว่างไปหมดแล้วจะที่ทำอะไรอะไรจะมาข้องมาติดตัวเองเมื่อตัวเองไม่ติดไม่ข้าตัวเองแล้วจะไปข้ากับอะไรตัวเองก็คือกิเลสมันมาเป็นตัวเองขาดสะบั้นลงไปหมดกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วอะไรจะมาเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นพอให้ติดให้ขวาให้ข้า มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะติดอะไรในสามเดนโลกฐานนี้แล้วติดอะไรเช่นอย่างเขายี่เคยเห็นสิ่ง น, นั้นนี้เราไม่เคยเห็นเอราก็ยอมรับเราไม่เขินแต่แล้วไม่ได้ติดเรานน เ, เ, เราก็ไม่ติดจริงเล่านั้นเห็นไม่เห็นเราก็ไม่ติดแน่เนี่ยเรียกว่าไม่ติดตัวเองสังอย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งสามเดนสมมุตินี่ว่าโลกฐานนั้นแหะจิตเมื่วลาได้เข้าไปเต็มเหนี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรมรมชาติล้วนเลย ธรรมชาติเนี่ยที่เป็นธรรมที่สุดวิสัยที่สุดนะพระพุทธเจ้าทงทอดระสถ่ยคือธรรมชาตินี้เมื่อมาดูของสัตว์โลกวัตจักนี้มันก็เป็นถังขยะไปหมดเต็มไปด้วยมูดด้วยขู่ด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้เลยก็คือไฟเผาโลกได้แก่กิเลสเผาสัตว์นั่นเองเต็มอยู่ภายในจิตใ จ, ใจเองเออต้องก็ดูไม่ได้สิมองดู สัตว์ัวใดตัวใดในสามเดือนลกูกถามิตรสัตว์ที่กลิ้งเป็นบ้าศเดกับกิเลสมันปูพรมให้นะเนี่ยพรมของกิเลสคือความเพลิดเพลินสิ่งที่เพลิดเพลินเห็นอะไรดีหมดนั่นนะ่ะคือพรมอาสนะอันดีงามพรมของกิเลสที่ปูวไว้แม้ที่สิความไม่พอใจก็พอใจความโกรธความเียแค้นมันก็พอใจโกรธมันปูพรมไม่หมดนะเนี่ยเคลือบน้าตาลเคลือบน้าตาลไม่หมด เวลาดูด้วยสายตาของธรรมแล้วไม่มีอะไรสกกระโปรสมมุเกินจิเลว่างั่นเลยแต่จิเลศมันบอกว่าสะอาดสอ้นสุดยอดของมันในสายตาของของธรรมแล้วสกรปรงสุดยอดไม่มีอะไรเกินจิเลศนั่นเหนือกันขนาดไหนฟังที่น่ะนี่แหละพระเจ้าทรงทอดพระไถยโลกมันเส็บสันตินย่ออะไรมันปูมันปูพรมาราบเลียบไปหมดเลยนะให้สัตว์ทั้งหลายเพลินเพลินอยู่เพลินจินเพลินหลับเพลินโลน เพลินนอนเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดีชั่วอะไรเพลินทั้งนั้นน่ะที่จัตโลกไม่พอใจไม่มีติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นนี่คือผรมของกิเลสมันเคลือบน้ําตาไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วชาติโลกจึงหาทางฟื้นตัวไม่ไดนะ้น่ะถ้าไม่ใช่ทำเข้ามาฟื้นตัวจึงต้องอาศัยเนี่ยเบื้องต้นตั้งแต่ภาวนาเนี่ยเอาเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นหมดสิ่งที่เก่าวนี้ไม่ต้องไปทูลถามพระเจ้า ที่ว่าวิเหลียดมันปูพรมย่างไงไว้มันจะประจับในสายตาของธรรมที่อยู่ในหัวใจเราเองประจับตรงนี้แล้วถามใครมันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละความประจับภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าทำที่ว่าเลิศเลยเลิศเลยมันเลิศทุกอย่างนะถ้าว่าเลิศเลยอย่างหยาบอยู่นะเลิใชทุกอย่างว่างั้นเลยเกินกว่าที่จะมาเทียบกับโลกมูดโลกพูดโลกสวมโลกฐานอันนี้ ซึ่งเป็นโลกปูพรมของยิ่งเห ล, ล็กรอกลวงสายโลกให้ตายจมกองกันอยู่นี้ไม่มีวันเส็จหลับอิ่มพอคือพรมของมันนี่แหละสายตาของธรรมมันดูไม่ได้อยู่วงแล้พวพระพุทธเจ้าไม่ชอบปะใสยังไงใครที่มายินดีในพรมเหล่านี้พรมของยิเหล็นแล้วมันไปยินดีทำที่ไหนวะมันยินดีในพรมคือส้วมคือฐานของยิเล็ที่มันหลอกเอาไว้นี่ทั้งนั้นโลกอทำเรื่องของธรรมมันไม่ให้สนใจ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 ในสายตาของคนตาบอดอย่างพวกเรานี่ยโงกันหมดสายตาต้องทำจ้าทีเดียวนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะทากันตั้งใจนะผม ม, มีจฉาวิจารเขงหมู่กขาเพื่อนแล้วใครที่จะมัเทศิ์อย่างจริงอย่างจังไม่สงสัยอย่างนี้เล้วอยางแตพวกนี้แล้วไม่ใช่อว ด, ดตัวนะพูดให้เป็นที่มั่นใจของหมู่เพื่อนว่าที่เทศสอนหมู่เพื่อนนี้ไม่มีผิด แน่นอนเพราะผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่เบียดของกิเลสและของธรรมเราผ่านมาหมดเต็มหัวใจของเราแล้วเราจึงได้มาเปิดให้พี่น้องให้พวบรรดาลูกปิดลูกหาพระนี่ทั้งหลายได้ยินได้ฟ่าให้ตั้งใจปฏิบัตินะ่ะ <c oughs> โลกอันนี้มันโลกสกปุกสมโสมมที่สุดแล้วอ๋อมันน่าทุเรศจริงๆนะแล้วไม่มีไม่มีหลักมีเทนฑนะ ไล่ไหนก็ถามดูสินะโลกเกลื่อนอยู่ในวัตถุทุกวัตถจักรนี้่หมุนเงี่ยอยู่ด้วยกองทุกเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้ใจดวงใดนะ่ะพอที่จะมีฝั่งมีฝามีเกาะมีดอนเป็นที่ที่ถึงตัวเองเป็นที่มั่นใจมีไหมมันไม่ได้มีนะมันดิ่ดมันลิ่นเหมือนกับคนตกน้ําอในมหาสมุทรนั่นแห่ะว่ายลอยอผมแป๋มผมแป๋แม ฟังไม่อยู่ที่ไหนไม่รู้หากไหวหากลอยอยู่อะ่นแหอไม่ไม่หวาไม่ลอยมันก็จะตายบอบนันเทากั้บ้างแต่ฟังฝาที่ก่อที่ยึดไม่หนีนี่เราศสตร์โต้ที่จมในมหาสมุทรมหานิยมเขาเป็นแบบเดียวกันไม่ผิดกันแม้กระเบียดเดียวกันเลยนะไม่ฝั่งมีฝาถ้าไม่มีทำเป็นที่ยึดที่ก่อที่อย่างเดียวฉะนั้นเหมือนกับคนตกน้าในมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละนี่เราจึงสร้างฝั่งฝาของเราให้ดีด้วยสมาธิศีลยา อันนี้เกตนาล้ายเข้ามาแสงนะเอาให้ระมัดวางให้ดีเป็นที่ภูมิใจในศีลตัวเองเมื่อไม่มีความกังวลเราแค่ระขายกับศีลแล้วการทำสมาธิมันก็ทําดง่ายเพราะไม่เป็นกังวลสมาธิก็บังคับอย่างที่ว่านี่นะเอาให้จริงให้จังแล้วจะเมื่อไม่ถออย่างที่เก่านี้จะปรากฏเป็นความสงบนิ็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นช่องทางที่เราจะก้าวเดินได้เพื่อความเบิกกว้างแห่ง ความสมบงบลมเงย็งเป็นสมาธิขึ้นมาก้าวจากสมาธิก็ขึ้นปัญญาอย่างที่ว่าเนี่ยถึงนี้มุดหลุดท้นจ้าไปหมดเลยถามมาอะไรม <c oughs> ี่ละที่นี่เมื่อมันมันเลยซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกิริยาของธาตุของขันธ์อย่างเราเป็นธาตุอย่างนี้นะ <c oughs> ผมเอามาเทียบหมุนะนี่ผมพูดในวงภายในคุณ <c oughs> <c oughs> สักแต่ว่าใช้จะตามทิริยาของส ม, มุทนา น, นที่ว่าเป็นบาปเป็นบุญเป็น อาบัตอาคีอย่งนมันเข้าไม่ถึงธรรมชาตินั้นแต่เมื่อโลกอันนี้ธาตุขันธ์นี้เป็นสมมุติก็ต้องปฏิบัติตามสมมุติพระพู้ที่เจ้าพระทหารทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าไม่ได้ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินยัยเพราะเป็นประเพณีของโลกที่อยู่ในสมมุิขั้นนี้เราก็เป็นสมมุิขั้นพระของเราเราต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เหมือนโลกเขารักษาเราเป็นพระสมมุดแบบด้วยหลักธรรมวินัยเหล่านี้ เราก็ต้องปฏิบัติอนี้ให้สมบูรณ์แบบของเราตามขั้นขอสมุดนั่นที่ยอมรับกันยอมรับกันในส่วนธรรมชาติของกิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเสียธาตุขันไม่ได้มันมันอยู่ในสมมุติก็ต้องปฏิบัติกันไปตามเรื่องราวของมันเท่านั้นเองที่ใช้ท่านมาเดือดร้อนกับสิ่งที่ผิดที่พลาดอะไรทั้งหมดผิดก็ไม่มีพาดก็ไม่มีถูกที่ไหนจะมีทั้นเลยจะหมดแล้วอันนี้เป็นสมมุติมีผิดมีถูกมีดีมีชั่ว ดีตอนนั้นละผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรเรียกว่าวิโมทอั น, นันเป็นอีกอันหนึ่ง <c oughs> น, นี่เล้วามาพูดห้ฟังนี่เป็นเรื่องลีล้รับอันหนึง่งที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งขันนั้นนี้สลายไปการรักษาทุกสิ่งทุกอย่าง ตามหลักของพระต้องสมมูรณแบบตามเดิมให้เหมาะกันกับสมมุิขั้นของธาตุของขันความดีความยิ่งกิริยาท่าทางที่อยู่ในสมมุกก็ให้เหมาะสมตามหลักของพระที่อยู่ในสมมุินัสนชวนจิตนั้นเราไม่เอามาพูดเลยึ้นเลยแล้วก็ยกให้เป็นเลยแล้วอยู่ในแดงสมมุกก็ต้องปฏิบัติตามสมมุกนะเป็นอย่างนั้น ศาสนาเวลานี้แหมติดกันอันทู่เข้ามาเข้ามา <c oughs> ดูไปไหนเวลานี้มันจะไม่เห็นนิแหยวของศาสนาติดพระติดเนนติดคารวะญาโยมติดชาวพูดเรานักมันมีะตะกิเลตทั้งนั้นหุ่มห่อเต็มว่าเต็มตัวทั้งประชาชนญาโยมทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเร า, ามันไมไ่มองเห็นนีแหววของธรรม พอนามัตระหว่างการปฏิบัติตัวเพื่ออัตโนมัติิดตัวอยู่ว่างเลยนะเวลานี้ม่นมีแต่กิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็จมไปจมไปอย่างนี้ศาสนาคุณเจ้ามันจึงค่อยถูกปิดถูกบังไปเรื่อยด้วยอำ น, นาจของกิเลสเศษสันตโยตัวเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเยียบย่ำทองทั้งแท่งคือทำให้กลายเป็นขี้มูลาเป็นเศษเป็นเรไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรเลย สิ่งที่มีคุณค่ามีราคาก็สิ่งที่กิเลสสันบัญญัติให้สัตว์ทั้งหลายติดพันมันชอบมันนั่นแหะจึงเอ า, าอกิเลสเหล่านี้มาใช้เป็นกิเลสกิเลสทั้งหมดโลกเลยกลายเป็นโลกว่าสะอาดด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวโชกโภคมากที่สุดนั่นเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นทุกจึงไม่ห่างเหินจากสัตว์โลกที่หลงตามกิเลสซึ่งมันหลอกลวงตลอดมาทำถ้าไม่หลอกลวงมีทำมากทาน้อยมีความสงบร่มเย็นยิ่งทําเปิดจ้าภายในใจแล้วหาความ ทุกมาจากไหนว่างั้นเลยบรมมาสุอะรจะเกินจิตที่บริสุทธิ์ว่านะ่ะเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้กันอยู่ว่าเจ็บนั่นปวดนี้มันก็อยู่ผิวผิวเผนเผนก็รู้มันอยู่นะมันก็มีเทานศาสนา จ, จะจมหมดแล้วนะเวลานี้เออจะไม่มีอะไรเหลือนะ่ะเพราะอํานาจของกิเลสมันตีตลาดนะไมดูกิเลสตีตลาดจนขยะขยงนะผมพูดจริงๆนะ มันเะจจะดูไม่ได้ดูพระดูเนนดูผู้เดียวกันมันก็จะมองกันไม่ทั่วหน้านะ่ะคือมันมันไม่เป็นที่ไว้ใจมันขวางหูขวงตาก็คือขวางศีลของธรรมของผู้นั้นผู้นั้นนั่นแหละแล้วมันก็ดูไม่ได้ผู้รักษารักษาอยู่นี่ไอ้ผู้ที่เลื่อนเลอผู้ที่ทำลายมันก็ทำลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านไม่มียางอายให้เห็นนย่แล้ว แล้วเป็นยังไงมันจะปร well, like ่งใจต่อกันได้ยังไงพวกเดียวกันก็ดีเพี้ยนพาเช่นเนินอย่างเราท่านท่านนี่มันก็ปร่งใจกันไม่ได้เพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่นี่แต่ผู้หนึ่งมาทำลายให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะสนิทกันได้ยังไงคนเรานี่ยที่ว่าแตกเป็นี่กลายนั้นนี่กายนี้เพราะว่าเมื่อมันผาดโผล่จุิชานมากเกินไปมันก็แตกกันได้แล้วตั้งนี่การนั้นขึ้มนีกายนี้ขมาอย่านี้แก็แตกไปอยู่ไปอยูอยู่นั้นแ่ะเพราะกีเลสมันไม่ถอยที่จะสมานไม่มีกิเลสมีแต่ทําให้แตกเรื่อยๆไป ถ้าเราไม่เอาทำเขาแน่นหนามันกลงแล้วสมานไม่ได้นะมั น, นมีแต่ความแตกวนะันนี้ก็พูดเพียงตัวนี้แหละพอเหนื่อย